อาจารย์ครับการรักษาการครับจเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์วันนี้เหนื่อยไหมครับผมไม่เราก็สบายคุยใช้ปากพูดไปได้ออกแรงไม่มากวันนี้อาจารย์สามรอบเลยนะครับผมอแล้วอาจารย์สบายสบายสบายเลยใช่ไหมครับไม่รู้สึกเหนื่อยสแสดง <นะ S 1> ค ำ, คำมันมีความสุขนะทําประโยชน์ให้กับคนอื่นนี่มันมีความสุข ให้ทำบุญนะห่งในหนงในงในบุญญกีิยาสิบก็คือการแสดงธรรมการเผยแผ่ธรรมเป็นบุญเป็นกุศลทำแล้วถ้าเห็นคนได้รับความสุขจากการแสดงธรรมของเรามันก็ทำให้เรามีความสุขการแบ่งปันความสุขที่วิเศษที่สุดคือลถแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงไม่รู้สึกเลยนะบาบ สบายโอ้ฟังแล้วดีใจครับผมอาจะเห็นมหอาจารย์สามรอบวันนี้ก็รู้สึกก้พุทธเจ้าแสดงวันลรสี่รอบครับตอนบ่าย <laughs> แสดงให้กับญาติโยมตอนข้าวแสดงให้กับภิกษุภิกษุณีตอนดึกแสดงให้กับเทพเทวดาตอนเช้าก่อนจะออกบินทบารทรงแสดงยานว่าจะไปแสดงทำปวดใครเป็นกรณีพิเศษในันนครับทาทุกวันพุทธกิจมีห้าข้อ ข้อที่ห้าก็คือเป็นธบานเรื่องชีพครับผมอาจารย์แล้วผู้ฟังไปไปเยอะไหมครับอาจารย์เห็นว่าร้อยกว่าคนที่ไปตรงนั้นวันนี้ร้อยเจ็ดสิบประมาณร้อยเจ็ดสิบครับผมแล้วก็รวมกันทั้งหมดทั้งที่ทางบ้านออนไลน์ก็หนึ่งพันประมาณในึางพัสามสิบว่านี้โอ้โหถูกครับอาจารย์ครับเนี่ยอย่างนั้นผมขอโอกาสอาจารย์เข้าเรื่องเลยนะครับคือคําถามที่ผมตั้งวันนี้ครับอาจารย์เนื่องจากว่าวันนั้นที่ผมเข้าซูมแล้วผม เรียนถามพระอาจารย์แหะเรื่องที่ผมนั่งสมาธิครับแล้วพระอาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็บอกวิธีดับทุกข์ทางร่างกายกับวิธีดับทุกข์ทางจิตใจครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากให้พระอาจารย์ขยายความให้ผมฟังมากขึ้นแล้วก็เพื่อนๆจะได้ประโยชน์ด้วยครับผมกลับขอความเมตตาพระอาจารย์ครับทุกข์ทางกายกับทุกข์งใจเป็นครณีกรณเรื่องนั้นกรณีเป็นทุกข์ของสองบุคคลถ้าเปรียบเทียบ กายกับใจนี้ก็เป็นเหมือนกับอินกับจันทร์อแผดสยาม <Okay. S 1> สมมติว่าพันถ้าอินนี่ก็อาการปวดฟันในจันจะปวดฟันไปด้วยหรือเปล่า <Hey. S 1> ไม่เกี่ยวอันนี้มาคนละเรื่องกันเนี่ยไหมก็เช่นเดียวกันเวลาร่างกายปวดท้องในใจไม่ได้ปวดท้องไปกับร่างกายแต่ใจไปปวดเพราะความอยากความหลงตัณหาอยากให้ความปวดท้องของร่างกายหายไป ด้วยความกลัวความ ป, ว ด, ว, ามปวดท้องก ล, ลัวว่ามันจะเป็นมะเร็งอะไรทั้งนองนี้ก็เลยทําให้เกิดความปวดทางใจขึ้นมาอีกการหนึ่งค น, คนใหญ่ถ้าผู้ไม่ได้ปฏิบัตินี้เวลาร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาในใจจะเป็นตามทันทีพรโมหะาอาวิชชาเพราะไม่รู้ว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่นกันเป็นคนละคนอย่อยางไรนมืนอินกับจั อินเป็นอะไรจย์ไม่ได้เกี่ยกับจันไปกับอินนะนี่คือเรื่องของความเจ็บปวดทางร่างกายกับความเจ็บเรื่อความจ็บคามเจ็บทางาใจเราเรียกปุถุในริยัจสส่วนความเจ็บทางร่างกายรเรียกทุกขเวทนาทางเข้าใจถ้าเราพถึงทุกขเวทนานี้เราพูดถึงความเจ็บทางร่างกาย ส่วนมเวลาเกิดความทุกข์เกิดจากทุกข์ที่เกิดจากตระหนักความอยากเพราะว่าตรนากมิเพราะว่าวิภาะว่าตรนัคือความไม่อยากให้ร่างกายเจ็บภายในตัวก็ทําให้ ใ, ให จ, จใเจ็บขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาทีนี้เรื่องของความเจ็บของทางร่างกายนี้มันเป็นธรรมชาติของร่างกายที่มันเกิดมาแล้วมันต้อง เจ็บเป็นธรรมดาไม่มีร่างกายอันไหนที่ไม่เจ็บไายได้ป่วยเจ็บด้วยสาเหตุต่างๆบางทีก็ไม่ได้เจ็บจากการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เจ็บจากการขาดอาหารบ้างขาดน้ำบ้างถ้าอดน้ำไปมากๆก็คอแห้งก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเลืออขาดอาหารละก็เกิดความทุกขเวทนา กอาการหิวทางร่างกายขึ้นมาหรือติดโควิดเป็นไข้ยอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติของร่างกายที่มันจะต้องเป็นสิ่งที่เราทำได้มากที่เท่าที่ทำได้ก็คือรักษาไปตามความรู้ความสามารถของของวิชาทางการแพทย์แต่ก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามไม่ให้ร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยได้ ไม่เรารู้เรารู้จักวิธีรักษาโรคนี้แต่เดี๋ยวก็มีโรคใหม่โผล่ขึ้นมาให้เราต้องมาคอยศึกษาหาวิธีรักษากันใหม่ดงั้นเรื่องของทุกขเวทนาของทางร่างกายนี่เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับมันดีกว่าคือรักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้มันจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็หัดอยู่กับมันไปอย่างเรามีอาการเจ็บหลังทุกมันเนี่ย เวลาเดินเป็นตะบาร์มาเราก็ปรับใจของเราให้หัดอยู่กับมันไปเหมือนเป็นทำอะไรได้ยืดเส้นยืดสายได้บรรเทามันไปก็ทําไปใจไม่ต้องไปเจ็บไปกับความเจ็บปวยของร่างกายได้ถ้าเราได้ศึกษาได้รู้ว่าธรรมชาติสองอันนี้เป็นคนลาคนกันความเจ็บปวดของร่างกายนี้ไม่ได้ไม่ได้ทําให้เกิดอาการเจ็บปวดทางจิตใจ ไปด้วยสําหรับผู้ที่รู้ความจริงผู้ที่ไม่รู้ความจริงผู้ที่ไป ค, คิดว่าร่างกายกับใจเป็นคนเดียวกันพอร่างกายเจ็บปับ๊บใจก็เจ็บใจก็ทุกข์ตามทันทีส่วนความเจ็บของทางใจนี่เป็นสิ่งที่เราดับได้กําจัดได้ที่เราปฏิบัติธรรมกันเนี้ยก็เพื่อมากําจัดความทุกข์ทางใจเพราะมันมีเหตุ ที่ทำให้มันทุกเหตุก็คือในอริยรสัจสี่ก็แสดงมาแล้วสมุทยัยคือตัณหาความอยากต่างๆการว่าตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาในเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดวิภาวะตัณหาขึ้นมาความไม่อยากให้ร่างกายเจ็บ ม, มันก็เลยทําให้ใจทุกขึ้นมาหรือความอยากให้ร่างกายแข็งแรงพอร่างกายไม่แข็งแรงก็เกิดความทุกใจขึ้นมา เรภาวตัณหานั้นเรื่องของความเจ็บทางใจนี้เราสามารถแก้ได้ถ้าเรารู้สาเหตุล้วดูวิธีละสาเหตุนหอนั้นเช่นความเจ็บที่เกิดจากวิภาวตัณหาคือความเจ็บคือความทุกข์ที่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไายได้ป่วยเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็พิจารณาว่าร่างกายมันเป็นตายรัก อนิจังไม่เที่ยมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายนี่คือเป็นธรรมชาติของร่างกายฉันต้องเจอความเจ็บทุกวันเจ็บไม่เจ็บนู่นก็เจ็บนี่เจ็บมากเจ็บน้อยบางทีเราก็ไม่ทุกข์กับมันเพราะเราเราปรับตัวรับกับมันได้ยอมรับกับมันได้แต่บางทีเราก็ทุกข์วุ่นวายใจเพราะเราปรับใจให้รับกับความเจ็บของมันไได้บางระดับนี้เราพอที่จะทนไห้บางที เจ็บปวดปัสสวาวะอย่างนี้บางทีแล้วะพอทนได้ตอนนี้ยังไม่มีที่ปัสสวาวะเราก็ทนไปก่อนใจเราก็ไม่ถึงกับที่จะไปทุกข์กับมันแต่ถ้าไปเจอความเจ็บที่มันรุนแรงปวดท้องแร ง, แรงปวดศีรษะแ ร, แ, รแรงอย่างนี้มันก็จะทําให้จิตใจนี้ทุกข์ไปกับการเจ็บปวดของร่างกายแต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้ศึกษาธรรม ได้ปฏิบัติทำได้รู้แนวทางของการระงับความทุกข์ทางใจเวลาที่เกิดทุกขเวทนาทางร่างกายก็สามารถที่จะระงับความทุกข์ทางใจได้ด้วยการสอนใจให้เห็นความจริงของร่างกายว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ร่างกายจะต้องมีทุกขเวทนาแล้วก็เป็นสิ่งที่ใจนี้สามารถอยู่กับมันได้เพราะใจไม่ได้เป็นร่างกาย ที่เคยพูดใจเป็นเหมือนแพทย์ส่วนร่างกายเป็นเหมือนคนไขนะ้เวลาแพทย์เห็นคนไข้น้องอดวควรค้างนี่แพทย์ไม่ได้เป็นอะไรไปกับคนไข้ในชะ่ไหมแพทย์ก็เพียงแต่รับรู้ร่าจะสงสารได้แต่แพทย์ไ ม, ไม่ไม่ทุกไปกับความเจ็บของของคนไข้ผู้ที่ปฏิบัติที่สามารถแยกกายออกจากใจได้ด้วยปัญญาก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะรับรู้เฉย รับรู้ว่าตอนนี้ปวดท้องหนักหัวศีรษะหนักแต่ใจรู้ว่าถ้าไปอยากให้มันหายยิ่งจะทําให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นก็เลยไ ม, ไม่ไม่เกิดความอยากอันนี้ทําใจด้วยอุเบกขาถ้าไม่มีอุเบกขาก็ทําใจไม่ได้เพราะถ้าไม่มีอุเบกขาเพราะวะ่าปัญหาวิพากษัญหามันจะมีกําลังมากแต่พอเราฝึกสมาธิ จนจิตนี่มีโอเบคาพวกตัณหาทั้งหลายถึงแม้ว่ายังไม่ตายแต่มันจะไม่มีกำลังมากสามารถไม่สามารถถักดันให้จิตคิดปรุงแต่งไปทางตัณหาได้ก็ถ้ามีปัญญาก็จะสอนให้จิตปล่อยวางให้ยอมรับกับสภาพของความเจ็บป่วยของร่างกายได้ อยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้โดยควเบญคาด้วยปัญญาเพราะรู้ว่าถ้าเกิดความอยากให้มันหาย mm. ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาํามใจทันทีอันนี้คือความทุกข์สองสองด้านมีกันสองส่วนซึ่งไม่เหมือนกันในวิธีปฏิบัติกรมันก็ไม่เหมือนกันทุกทางร่างกายนี้ถ้าอยู่ในความสามารถที่จะบาบัดได้ก็ทำไป แต่ถ้ามันอยู่ในอยู่ที่มันเหนือวิสัยไม่สามารถที่จะไปบำบัดให้มัรหาาได้ถ้าไม่ต้องการให้ใจ่ายทุกทรมานก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธิใช้โอเบคาสอนใจให้ขล่อยวางสอนใจให้ยอมรับกับความเจ็บของร่างกายให้สักแต่ว่ารู้ให้รู้เฉย โดยที่อย่าไปมีความอยากจะกําจัดมันอยากจะรักษาให้มันหายไงเมื่อมันมันรักษาแล้วมไม่หายไม่มีใครจะให้หายได้ก็ถ้ามีสติมีปัญญามีอเุเบกขาว่าสามารถที่จะรับรู้อยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้เวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยในี่บางทีท่านไม่เข้าโรงพยาบาล มันกรักษาด้วยวิธีนี้นะคือทางร่างกายก็มีสมุนไพรอะไรก็กินไปน้ํายานองน้ำมุนเน่าอะไรอย่างที่ผู้เจ้าสอนให้พระใช้รักษาร่างกายส่วนใจก็ใช้ธรรมะโอสถใช้สติใช้ปัญญาใช้อุเวคาควบคุมให้ใจอยู่เฉยๆอย่าไปดิ้นด้วยความอยากทั้งนั้นเองทำได้ก็ร่างกายจะปวดมากน้อยอะไรก็ ไม่รุนแรงเท่ากับความปวดทางใจความปวดทางร่างกายนี้ถ้าเปรียบเทียบกับความทรมานทางใจนี้เหมือนหนึ่งต่อสิบดนั้นเมื่อท่านสามารถควบคุมความปวดความทรมานทางใจได้นะความปวดทางร่างกายเหลือเพียงแค่ห น, น, นึ่งในสิบเท่านั้นเองท่านกำจัดเก้าในเก้าในสิบส่วนที่เป็นทางใจนั้นท่านก็เลยไม่เดือดร้อนกับความเจ็บทางร่างกายคือใจทนะ่านไม่เดือดร้อน ในก็พูดเกี่ยวกับเรื่องสองสองความทุกข์สองทางทุกทางกายกับทุกทางใจครับพระอาจารย์เคยเคยบอกผมครั้งหนึ่งที่ตอนผมอยู่บนเขาอะครับพระอาจารย์บอกว่าหมอรู้มไหมว่าหมอหมอคว้าน้ำเหลว ผมไม่เคยบอกหมอไม่เคยช่วยชีวิตใครได้สักคนเลยจริงๆอ <auch> ตอนนั้นผม ไ, มได้ฟังผมโอ้จริงอย่างที่พระอาจารย์บอกครับผมช่วยได้ก็ช่วยได้ชั่วข่าวจริงครับ <า S 3> ช่วยวันเทาไประยะหนึ่งได้เองถ่ายในที่สุดก็มีโรคใหม่ขึ้นมาการเจ็บไข้ที่หายไปวันนี้เหนียวเขาพวกนี้ก็มาหาเราอีกมีคนไข้กับมาหาเราคิดซ้ำซ้ำเราซ้ําอีกมะไม่ใช่รักษาคนเดียวแล้วหายเลยครับผมาหมายเลยหมอก็อาจจะไม่มีอาชีพไม่มีคนไข้ก็ได้ ครับผมผมก็เลยโอ้โจริงๆแล้วงานผมนี้จริงๆควานน้าเหลวจริงๆแต่ก็ยังน้อยก็ยังช่วยบรรเทาทุกข์ไปได้บ้างนิดหน่อยครับช่วการช่วยการช่วยระยะหนึ่งครับผมครับอาจารย์ครับก็เข้าใจกระจ่างมากขึ้นเยอะครับจะเอาอินกระจันนี้มาเทียบอยู่บ่อยๆครับ <im S 1> นั่งกายกระจายเป็นอินกระจันครับเลยแพทย์กับแพทย์จากคนไข้อะไรครับผมกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับเดี๋ยวผมจะขอโอกาสถามคําถามจากเพื่อนๆบ้างครับ คำถามจากคุณสมพรครับการทําบุญผ้า ป, ป่าสามัคคีเป็นการทําบุญประเภทไหนครับอา น, นิสงบุญผ้า ป, ป่าสามัคคีมีอา น, นิสง์อย่างไรครับเป็นทานชนิดหนึ่งผ้าป่าก็คือการถวายผ้าผ้าที่พูดง่ายๆก็คือผ้าบางสกุลสมัยก่อนนี้ผ้าจะไปหาผ้าบางสกุลมาตัดเย็บเป็นจีวรเพราะไม่มีทำเนียมถวายผ้ากัน ผ้าก็เลยต้องไปเก็บผ้าที่หอ่อศพผ้าศพที่แห้งแล้วก็แล้วก็สามารถแกะหยิบผ้าออกมาหรือแต่โครงกระดูกท่านก็หยิบผ้าเหล่านั้นมาซักมาย้อมแล้วก็มาตัมดมาเย็บเป็นชิโม น, นการถวายผ้าป่าก็คือการถวายผ้าแต่ในปัจจุบันนี้ผ้านั้นเป็นเพียงแต่ตัวตัวนำทาั้งแต่ โดยที่สำคัญก็คือเงินมากกว่าเพราะว่าถวายพ้าป่าแล้วไม่มีเงินนี่พระก็จะไม่มารับกันที่มารับส่วนใหญ่มันรับเงินกันเพราะว่าเพราะว่ามันต้องเอาไปใช้ในบรญณะซ่อมแซมต่างๆค่าใช้จ่ายของทางวัดทั่นเองวัดก็ต้องมีการซ่อมมีการซ่อมกุติซ่อมโบสถ์ซ่อมเจดีย์มีค่าใช้จ่ายจิ ป, ปาถะแล้วแต่ ญาญโยมก็อาศัยการถวายภาพป่าโดยอ้างเป็นภาพป่าแต่ความจริงก็ต้องการจะปฏิสังขรณถวายเงินปัจจัยเพื่อให้ได้ทางวัดจะได้เอาไปใช้บำรุงทำนุบ ำ, ร, าาำรุงอ่าววรวัฒน์ทุกต่างๆมาให้สมรู้สมโภชนี่คือภาพป่าก็เป็นทานอย่างหนึ่งเหมือนกับใส่บาตรเป็นเป็นหนึนน่ง ไ, ได้ปัจดใจสี่นะพูดง่ายๆภาพป่าก็ถวายภา เป็นใส่บาตก็ถวายอาหารถวายยาแล้วก็สร้างกุติสร้างที่พักถวายสองนี้ก็เป็นทานเหมือนกันทั้งนั้นไม่ต่างกันอันนี้สอเท่ากันอยู่ที่มากน้อยอยู่ที่ปริมาณเงินทองที่เราเสียสละไปเสียสละมากก็ได้บุญมากเสียสละน้อยก็ได้บุญน้อยพี่สมพรครับ การทำงานให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองต้องใช้ธรรมะข้อใดครับในความเพียรทางพยัญันเพียรวิทยาทางขาดความเพียรแล้วจะไม่สามารถทำอะไรให้สำเร็จได้ความเพียรพยายามอยู่ที่ไหนครับสาเร็จอยู่ที่นั่นที่สมบัติถามมาหลายข้อครับ การใส่บาตรตอนเช้าเป็นการดำทญญานอย่างหนึ่งหากต้องการทำบุญให้สูงขึ้นกว่านี้ต้องทำอะไรอย่างไรครับรักษาสีนรักษาสีห้าแล้วก็ภาวนาแต่ละขั้นนี้จะมีมีบุญสูงมากกว่ากันทำทานมากเพราเถ้าไหลก็สู้รักษาสีไม่ได้เอราถ้าทำทานแล้วไม่รักษาสีนี้ตายไปยังไปเกิดเป็นเดนรัจฉานได้ แต่เนื่องจากบา ร, รมีของทานก็าจจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานที่น่ารักมีคนเอาไปเลี้ยงเช่นหมาสวยๆปลาสวยๆนกสวยๆอย่างนี้นี่เป็นอนัสอของผู้ที่ทําทานอย่างเดียวไม่รักษาศีลตายไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่น่ารักสวยงามก็จะมีคนเอาไปเลี้ยงดูอย่างดีบางทีเลี้ยงดูดีกับคนเลยหมาบางตัวนี่มีห้องปรับอากาศให้อยู่ด้วย อันนี้ก็เป็นเพราะว่าทำบุญแต่ไม่รักษาศีลแต่ถ้ารักษาศีลไม่ได้ทำบุญก็จะไม่ต้องไปเกิดเป็นเดราชฉานแต่ก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าไม่ทำบุญก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ยากจนถ้าทำบุญก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ร่ำรวย น, นี่คือความตา่างคืออ น, นิสงส์ประโยชน์ของการทำบุญแต่ละอย่างมันมีให้ผลไม่เหมือนกัน ทำทานก็จะทําให้เราร่ำวยมีทรัพย์สมบัติเข้าของอเงินทองรอเราอยู่ภายภาคหน้ารักษาศีลได้ก็จะป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในาบายได้ไม่ได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนศรรกายไปตกนรกได้แล้วถ้าอยากจะไปสูงเหมือนนั้นก็ให้ภาวนาภาวนาทําใจให้สงบเข้าฌานได้รูปฌานรูปฌานก็จะไปเกิดเป็นโพรมแล้วถ้ า, า จ, จะเรียนวิปัสสนาได้ก็จะ ได้ไปเป็นพระอริยบุคคลขันโสดาบันสกิรดาคาอนาคาและพระหลานตามลําดับต่อไปอาจารย์ครับที่บอกว่าเข้าฌานได้แล้วได้เกิดเป็นพรหมนะครับต้องเข้าฌานได้แบบได้ครั้งเดียวหรือว่าต้องได้ตลอดไปครับอาจารย์ก็ได้มากเป็นได้เป็นพรหมนาถ้าได้ได้น้อยก็ได้ได้เป็นพรหมน้อยอ๋อระยะเวลาอถ้าเราเข้าฌานได้บ่อยได้นานสะสมไปได้เรื่อยๆแล้วตายไป ชานนี่มันก็จะอยู่ในใจมากมันก็จะทําให้อยู่เป็นพมได้นานแต่ถ้าได้ครั้งเดียวนี้ก็ไปเป็นพมได้แป๊บเดียวอใ oh. นครั้งที่กล่าวาสนาที่อย่างนี้นะคก็ไปเป็นพรมอยู่แป๊บนึงแนละ้วเดี๋ยวเข้าร่วงลงมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้ว <Okay. S 1> ออกจากชาเนี่ยเมื่อเราออกจากชาเราก็กลับมาที่ร่างกายใช่ไหม คุณบิมณครับถ้าเราเคยบอกจะบวชชีแล้วมีอุปสรรคจะผิดไหมคะ ก, ก็กลัวหลอกลวงอะไรนี่กับคนที่เราบอกถ้าบอกกับตัวเราเองลราถ้าของเราหลอกลวงตัวตัวเราเองก็อกตัวเราเองงั้นเวลาจะทําอะไรในอนาคตนี่คนจะมีคําว่าท่าไว้ก่อนเราจะปลอดภัยจะบวชชีถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรพูดไว้ก่อน ถ้าอย่างนี้แล้วก็อาจจะได้ไม่นได้โกเพราะเราไม่รู้ในอนาคตว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นนะปัจจุบันเราคิดว่าเราแน่ใจว่าเราจะบ่นแน่ๆ แ, แต่พออนาคตไปเจอเศรษฐีร่ารวยไปมาเป็นช่วรไปเป็นแฟนนี่ก็อาจจะ <c oughs> เปลี่ยนใจได้ข อ, อท้าไว้ก่อนนะ <c oughs> <c oughs> คุณมาสเตอร์ครับขออนุญาตใช้คำถามนะคะเวลาสวดมนต์เผลอหลับเป็นอะไรไหมคะ กาไม่ได้ไม่ได้สตินะเนี่ยการสวดมนต์นี่เป็นการถึกสติเป็นการทําสมาธิอย่างถ้าเผื่อหลับไปก็ได้หลับไน่นอนหลับพักผ่อนไม่ได้บุนที่เกิดจากการสวดมนต์คุณสมพรครับในการทําบา ร, รมีสิบอย่างบา ร, รมีไหนที่ควรทําให้มีมากที่สุดเพราะเหตุผลอะไรครับเออมันต้องมากเท่าท่านหนดทุกบา ร, รมีต้องร้อเอร์เซ็นตต้องครบร้อยเต็มที่ เมตาก็เมตตาเที่ไม่เลือกไม่เลือกคนนั้นเลือกคนนี้ไม่เลือกที่รักมากที่ฉับเมตตาทุกคนทุกสัตว์ทุกอะไรทํำทานก็ไม่เลือกทําทําให้ได้กับทุกๆคนที่ไทยเขาว่เดือดร้อนที่ต้องการความเชื่อเยอะังเลยไม่เลือกสัญชาติว่าต้องเป็นไทยอย่างเดียวเป็นต่างชาติก็จะไม่ทําทานอะไรก็ทําหมดศีลก็ ก็เหมือนกันก็ไม่เบียดเบียนทุกคนไม่ใช่แต่เฉพาะคนในครอบครัวเราถ้าเป็นศัตรูเราเร า, เราก็จะเราก็จะเบียดเบียนเขา อ, อย่างนี้ก็ไม่ใช่ต้องทําให้ครบเต็มร้อยทุกทุกบา ร, รมีแต่ะบา ร, รมีมันมี ม, น ม, มันมีบ ร, ริบทของมันนยมันมีของมันว่าจะทําเต็มร้อยอย่าง คุณพีโกครับเรียนถามความฟุ้งซ่านจะติดตัวทุกภพชาติใช่ไหมครับแม้ว่ามีสติตัดตัวฟุ้งซ่านได้เป็นครั้งครั้งก็มันตัดได้เท่าไหร่ก็แล้ก็ได้ทำนั้นมันเป็นนิสัยมันมก็่จะติดเราไปคุณน้องหลินครับ วันนี้ฝึกปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิและเดินจงกรมในห้องพระค่ะแต่ไม่เปิดพัดลมอากาศ ร, ร้อนค่ะสาหรับหนูทนได้ค่ะถ้าไฟดับหนูคิดว่าทนได้แบบนี้คือการทดสอบตัวเองไหมเจ้าคะก็เป็นการยกระดับจิตองเราให้ให้สูงขึ้นให้เรามีกำลังที่จะเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากได้มากขึ้นนั่นเองทำให้เราไม่ต้องไปพิ่งสิ่งต่างๆทาให้เราไม่ทุกเวลาที่เราพิ่งสิ่งต่างๆไม่ได้เช่นเวลาไฟดับนีง คุณก้าวเดินต่อไปครับกาบเรียนถามผู้อาจารย์มีสองข้อนะครับข้อที่หนึ่งอยากให้พู้อาจารย์อธิบายความหมายของคําว่าไม่มีไฟใดเสมอด้วยไฟแห่งราคะครับก็คือไฟที่มันร้อนใช่ไหมไฟที่เราไปถูกเราไปจับไฟนี้เราจะรู้สึกว่าร้อนแต่ไฟที่เป็นไฟทางร่างกายนี้มันสู้ไฟทางใจง่ายสังเกตดูถ้าเราไปถูกไฟไม่เราจะรู้สึกเจ็บปวดทางร่างกาย แต่เวลาเราเกิดราคะขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถเสกการมได้เนี่ยมันจะทุกทรมานมากกว่าไฟของที่เผาเผาร่างกายลำหนักข้อที่สองครับทําไมการมราคะถึงเป็นกิเลส ท, ที่ตัวตัดยากที่สุดเจ้าคะเราก็ไม่รู้เหมือ <laughs> นกันเพราะมันมันนชีวิต จ, จิตใจของสารโลกที่มาเกิดในการมมาพบ สารโลกที่มาเกิดกรรมมาเพาะต้องการจะเสกการมาราคะนี่คุณสนั่นครับอยากทราบทุกทางกายกับทุกทางใจทางไหนเกิดก่อนพิจารณาแบบไหนบางครั้งก็สับสนตัวเองว่าตัวทุกขมาจากอะไรเลยหาทางดับทุกข์ไม่ได้อยากทราบวิธีดับทุกให้ถูกครับ อ, อ๋อมันไม่ได้เชื่อมโยงกันว่าอันไหนก่อนอันไหนลั่ง ทุกทางกายมันก็มีเหตุปัจจัยของมันเช่นกินอาหารเข้าไปแล้วปวดท้องขึ้นมาอาหารเป็นเพี้ยนอย่างนี้มันก็เกิดอาการปวดท้องขึ้นมาส่วนทุกทางใจนี้บางทีร่างกายสบายๆแต่พอได้ข่าวไม่ดีขึ้นมาก็ทุกทางใจได้เช่นได้ข่าวว่าภรรยาไป ม, มีแฟนใหม่ <c oughs> <c oughs> ก็เกิดความทุกทางใจขึ้นมาได้มันไม่มันไม่เกี่ยวโยง ก, กันว่ามันจะต้องอันไหนเกิดก่อนอันไหนเกิด และวิธีแก้มันก็ไม่เหมือนกันทุกทางร่างกายถ้ามียา ก, กินได้ก็กินไปถ้ากินไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นแล้วให้มันรักษาของมันเองไปโรคบางโรคนี้ถ้าเราไม่มียาเดี๋ยวมันร่างกายมันก็ปักขับพิษออกไปเองก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องทางทางร่างกายทางจิตใจเราก็ต้องแก้ด้วยการณต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ใจก็คือตัณหาทั้งสามนี้ การมาตฐานาภาวะตฐาหาวิภวะตฐานายางได้ย่างเนี่ที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาคุณพัฒนาครับจิตหรือความคิดชอบคิดไม่ดีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามยับยัง้งยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นเกิดสภาวะนี้หนักมากจนเครียดมากแล้วครับกลัวเกิดโทษกับตนเองและคนอื่นๆท่านจะรับรู้แล้วไหมครับว่าเราคิดอะไรเราไม่ได้มีเจตนานะครับแต่ความคิดมันเข้ามาเองครับ สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายนี่ไม่มีหรอกมันเป็นสิ่งที่เราสมมุติกันขึ้นมาเช่นเทว ร, รูปปัฏุะรูปอันนี้มันเป็ น, ปนวัตถุทั้งนั้นอ่ะที่เราสมมุติกันขึ้นมาว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความจรงิงแล้วมันก็เป็นวัตถุธรรมดานี่นอมงคลวัตถุมงคลนะมาตั้งเรียกวัตถุมงคลเป็นความเชื่อนั่นเองเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ความจรงิงแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงตามหลักพนะุทธศาสนาคือกฎแห่งกรรม อันนี้แหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงเป็นสิ่งที่จะให้คุณให้โทษกับเราอย่างแท้จริงนอกนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นไม่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้เทวรูปพุทธรูปอะไรต่างๆนี้ไม่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้มีเสียงเดียวที่จะให้คุณให้โทษกับเราก็คือกดแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้แหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงคุณพีรพรครับ พระอริยะท่านจะรู้สึกเหงาไหมคะในกรณีที่ท่านต้องห่างจากครูบาอาจารย์และเพื่อนธรรมก็ส่วนใหญ่ท่านยังไม่เหงาถ้าท่านเป็นพระ อ, อริยะแลนะเพราะท่านมีที่เพื่อนทาใจแลนะท่านมีพระ อ, อริยสัจสีมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ูนในใจเป็นผู้ที่จะคอยให้เป็นเพื่อนอยู่แล้วแต่ท่านก็าอาจจะมีความคิดถึงครูบาอาจารย์บ้างแต่ไม่ใช่คิดในลักษณะว่าเศร้าหรือเหงาอนะไร ถ้าคิดว่าบางทีแก้ปัญหาด้วยตัวเองนี่มันช้ามันยากถ้าไปกราบกูบาจารย์ได้เล่าเรื่องปัญหาวรรัยท่านทราบานอา จ, จะช่วยชีย้แนะแก้ปัญหาให้ได้อย่างรวดเร็วก็ได้ถ้าถ้าอย่างนี้มีอยู่มปฏิบัติบางทีท่านปิดไม่เมฆไปทุ่งนมแล้วพอท่านเกิดปัญหาขึ้นมาท่านก็กลับไปกปาารกาบกูบาจารย์เลยขี้เกียจคิดแก้วเองไปถามกูบาจารย์เละ มืออาจารย์ท่านถ่ายมาแล้วทำรู้วิธีแก้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามากคุณเอมมี่ครับเมื่อเรานั่งสมาธิกำหนดรู้ลมหายใจจนกระทั่งมีอาการตัวแข็งเหมือนถูกตรึงไว้แต่ความคิดยังอยู่เป็นสมาธิระดับใดและจะพัฒนาต่อไปอย่างไรครับก็ยังยังไม่เข้าถึงสมาธิถ้ายังมีความคิดอยู่จิตยังไม่นิ่งสงก็ต้องทาต่อไปถ้าดูลมก็ต้องดูล ม, ลมหายใจต่อไป จกว่าและอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าใจายังคิดอยู่ใจก็ยังไม่สงบยังไม่เป็นสมาธิคุณประสานครับทําไมการสอนธรรมะไม่ค่อยสอนเรื่องที่หลุดพ้นด้วยตัวเองแต่สอนว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแล้วเปรียบเทียบหยิบยกมาเล่าครับก็นี่เราสอนเรื่งตัวเองใครเป็นคนทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วก็ตัวเราเองเนี่แะสอนหนึ่งตัว เ, เอง เราจะหนุดพ้นจากความทุกข์ก็ได้ก็ต้องทําทําดีละละความเชื่อแล้วก็แล้วก็ทําใจทำความสะอาดของใจนี่อันนี้เป็นเรื่องของเราล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของใครเลยที่เราฟังแล้วไม่เข้าใจนะคุณพัฒนาจิตหรือความคิดชอบคิดไปขอหรืออธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไปเองบางครั้งเกิดขึ้นจริงเราก็เกิดอาการกลัวครับแบบนี้จะเป็นอะไรไหมครับ ก็ความกลัวนี่ก็เป็นความทุกข์อย่างคุณสมพรครับออกขออภัยครับอาจารย์ครับคุณสำรวยครับเพิ่งเคยเข้ามาตอนคุณหมอไร้สดอา้าวอันนี้มันก็ไม่ใช่ขออภัยครับอาจารย์ครับคุณภูมิครับในทางวิทยาศาสตร์ คนที่ถนัดมือซ้ายมือขวาการทำานของสมองสองซีมีการทําที่แตกต่างกันอยากทราบว่ามีผลกับการเข้าสมาธิและเข้าฌานหรือไม่ครับไม่มีหรอกเรื่องเรื่องของการถนัดซ้ายถนาดขวานี้มันไม่เกี่ยวกับการทําใจให้สันเการทําใจให้สันแบนี้ tank, ทับที่ใจไม่ได้ทับที่ร่างกายมันทําคนละคนนะอิน น, นั่งสมาธิแต่ฌา์นะั่งดูหนงนี้คนคนละเรื่องกันไม่เกี่ยว คุณธนาทรครับมัคแปดทางไปกับสติปฐานสี่ทางสายเอกเท่ากับเราควรคิดพิจารณานและจะปฏิบัติอย่างไรครับมันเป็นทางเรยวกันนะเพแต่ว่าสติปฐานสี่นี้ท่า น, นเน้นเรื่องหอนึ่งในองค์ของมัคมัคมีแปดองค์ด้วยกันองค์ที่สติปฐานนั้นก็สัมมาสตินี้ วิธีอยากจะรู้ว่าวิธีเจริญสัมมาสติเจริญยังไงก็ออกมาศึกษาจากสติปัฏฐานสีแต่สติปัฏฐานสีน่นอกจากสอนเรื่องสัมมาสติแล้วก็สอนเป็นเรื่องสมาสมาธิสัมมาสัมมาชิติก็สัมมาสังกัปปะด้วยรวมไปหมดอยู่ในสติปัฏฐานสีแต่ไม่ได้สอนเรื่องเสียเรื่องสัมมากรรมโตสัมมาวาจา สัมมาอาชิโมอันนี้สติปฐานสี่ไม่สอเพราะถือว่าอันนี้เป็นเป็นธรรมระดับสูงนะผู้ที่จะทัศปฏิบัติสติปฐานสีด้านนี้ต้องมีสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสม า, าชิโมอยู่แล้วคือเป็นนักบวชเป็นนักเดียรที่ถือศีลอย่างแท้จริงอยู่แล้วในสติปฐานสี่ท่านไม่ไม่แสดงเพราะว่าสอนพวกที่เป็นนักบวช คุณใจดีครับช่วงนี้ทำงานไม่ได้นั่งสมาธิผมเลยใช้วิธีฝึกสติด้วยการลุกเดินยืนนั่งก็รู้สึกตัวเฝ้ามองจิตเวลาคิดเรื่องอะไรแล้วก็ใช้สติดึงกลับมาตอนนี้จิตดูสบายแบบนี้คือการปฏิบัติที่ถูกต้องอีกวิธีใช่ไหมครับก็เป้าหมายของการเจริญสติคืให้เราหยุดความคิดต่างๆไม่ให้คิดเพราะคารคิดนี่แหละเป็นตัวที่ทาให้เรามีความรู้สึกหนักอกหนักใจ ไม่สบายใจวุ่นวายใจฟุ้งซ่านเกิดจากความคิดทรรมนั้นแล้วเราต้องฝึกสติเพื่อคอยควบคุมกับมคิดอยู่ความคิดพอความคิดได้ถูกระงับหรือลดน้อ ย, อยถอยลงไปจิตก็จะรู้สึกสบายขึ้นเบาขึ้นเย็นขึ้นคุณเนตรวันรุตครับขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เรื่องการบริจาค ร, ร่างกายเป็นอาจารย์จะได้ไปสู่สุขติใหมคะมีหลายคนว่าเราจะไม่ได้ทําพิธีทางตามศาสนาส่วนตัวว่าไม่น่าเกี่ยวคะ่ะ เาการมาจากร่างกายที่เราที่ตายไปแล้วนี้ไม่ได้ไม่ได้บุญเลยนะอาจจะได้ประโยชน์สําหรับคนที่รับบอยจาคได้ใช้ร่างกายมานี้เอาไปศึกษาทางการแพทย์นี้แต่สำหรับผู้บริจาค น, นี้ไม่ได้บริจาคเพราะถึงเวลาตายนี้ไม่ได้บริจาคเองใช่ไหะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าผู้บริจาคเกิใจของผู้ตายนี้ไม่ ไม่ได้ทําบุญไม่ได้ให้ร่างกายนี้ถ้าอยากจะได้บุญต้องทําตอนที่มีชีวิตอยู่เช่นบริจาคอวัยวะอันใดอันหนึ่งเช่นไปนี่อาจจะบริจาคให้กับพี่กับน้องหรือคนที่เรารักอย่างนี้เราจะได้บุญเพราะเรารู้สึกเรารู้อยู่ว่าเราได้เสียสละสิ่งที่เรารักมากไปการเสียสละในสิ่งที่เรารักมากไปนี้มันทําให้เรามีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาโดยการบริจาคเรือดอย่างนี้ อันนี้เป็นการได้บุญพราะทําทมีความมีผลต่อจิตใจของเราจิตใจเรามีความสุขมีความอิ่มใจขึ้นมาแต่เวลาเราตายเวลาดวงวิญญาณเราไปแล้วนี่ไม่รู้เรื่องของร่างกายแล้วว่าไปอยู่ที่ไหนอย่างไรก็จะไม่ได้มีอันนี้สอจากการบริจากร่างกายหลังจากที่เราตายไปแล้วคุณพารัตครับ การทำพิธีการพระอาจารย์ครับผมอยากถามว่าเมื่อเราใช้สติจัดการปัญหาอุปสรรคชีวิตไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นความทุกข์ทางกายและจิตทําให้ชีวิตเรามีความสุขได้อย่างไรครับเพราะไม่ใจไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์ก็ถือว่าเป็นความสุขนะอย่างตอนนี้เวลาที่เราไม่ทุกข์กับอะไรเรารู้สึกสบายนหะเพราะเรามีความกังวลไม่ตกกับเรื่นั้นนั้นความสบายใจของเราก็หายไป คุณสิริพัฒน์ครับกราบขอพวาเมตตานั่งสมาธิทุกครั้งแล้วตัวมักเอนไปข้างหลังจะล้มตลอดเลยค่ะจะทำอย่างไรดีคะสามารถนั่งเอาหลังติดผนังได้ไหมคะขอความเมตตาค่ะได้ถ้าคิดว่าเรามีปัญหาก็ลองนั่งนั่งเอาติดผนงดังหนุนก็ได้แต่กลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปเองไปทางซ้ายเอนไปทางขวายบางทีมันไม่เป็นเพียงแต่เรานื้อคิดไปเองก็ได้ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าสติเรายังไม่มีกําลังพอก็ได้อาจจะต้องพยายามฝึกสติให้มากขึ้นวันนี้มีหลายคนทักมาว่าได้ไปกราบพระอาจารย์ที่กุฏินะครับอาจารย์ที่ฟังฟั่งตอนเนี้ยครับผ ม, มคุณสมพรครับในแต่ละวันดูเหมือนว่ามีทุกข์ทางใจเข้าครอบงำเพราะมีกิเลสครอบงำจิตใจต้องแก้อย่างไรครับก็ต้องคอยกำจัดกิเลสกาจัดความโลภความอยากต่างๆ หัดฝึกใช้สันโดษแทนยินดีตามดีตามเกิ ด, อ ย, กดอย่าไปอยากได้น้่นอยากมีนี่ได้อะไรก็ให้ดีใจพอใจมีอะไรก็ให้ยินดีพอใจไม่ได้อะไรก็พอใจคือสันโดษแล้วราจำความวิไวยใจก็จะน้อยลงความทุกข์ใจก็จะน้อยลงคุณเดอะมัลติเวอร์ u n i t ยูนิตี้ครับ การนมัสการครับขอโอกาสทุกน้อยแล้วหรือไม่ทุกแล้วปฏิบัติอย่างไรต่อครับก็ไม่ต้องบฏิบัติถ้าถ้าทุกหมดแล้วก็จมันรักษาร่างกายพอรักษาทางกายหายจากโรกแล้วจะไปทํำอะไรต่อก็มไม่ต้องทําอะไรทางศาสนาท่านหน่วยงานทางศาสนาท่านยังบอกว่ า, วามีวันสิ้นสุดหรอกเวลาที่บรรลุเป็นตพระา น, า น, นี้ม่จะมีคำพูดว่ามุสิตามรามาจาริยา กิจในปรมาจารย์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วไม่มีกิจอื่นที่เหนกว่านี้ที่จะต้องทําอีกต่อไปมีแต่สงเคราะห์ผู้อืซึ่งไม่ถือว่าเป็นกิจถือว่าเป็นเป็นความเมตตาซึ่งจะสงเคราะห์ก็ได้ไมสงเคราะห์กนาคุณก้องครับการนิมิตการพระอาจารย์ครับการเรียนถามการใช้ปัญญาอบรมสมาธิสามารถพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเวทนาหรือสัญญาที่ทั้งดีและไม่ดี ว่าเป็นไตลักษคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้ทั้งหมดเลยไหมครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครั บ, บ, าารรบไม่ใช่หรอกการใช้ปัญญาอบรมสมาธินี้คือเวลาที่จิตของเรานี้เวลาเราพยายามจะทำจิตให้สงบเช่นนั่งดูมงมหายใจเข้าออกพุขโทพุขโธแต่จิตเราไปกังนวลนกับปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นปัญหาการเงินสมมตินี่ว่าการเงินเราไม่พอใช้เราอาจจะต้อง ถูกลมละลายอะไรทำเรานี้เวลานั่งสมาธิมันก็ไม่มีกัจิกรรมใจัะดูลมหรือจะพูดโถกวิธีที่จะที่จะทําให้จิตสามารถกลับมาดลงลมมานั่งสมาธิได้ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องของสถานาการณ์อย่างอย่างเราว่ามันเป็นอย่างไรมันเป็นสิ่งที่เราก็คุมบงังคับได้หรือเปลมันเป็นอนัตตาหรือเป็นอนาตาถ้าเป็นอนัตตาก็แสดงว่าเราควบคุมไม่ได้ แล้วถ้ามันจะล้มละลายก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าพิจารณาเห็นความจริงว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เหนือเนื้อกว่าความสามารถของเราที่จะไปควบคุมมังครับมันได้มันจะล้มละลายก็ต้องยอมรับปรสภาพไปพอเรายอมรับปรสภาพความทุกข์ความวามุ่นวายใจก็จะดับไปใจก็จะกลับมาเป็นปกติ สามารถมาดูลมหายใจเข้าออกได้สามารถมาบริกรรมพูดโธพูดโธเพื่อทําใจให้สงบลึกไปก่อนนี้ได้คือก็ได้ความสงบระดับหนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่าจะลจะในระดับไหนบันที่อาจจะลึกก็ได้จะอาจจะร่องเบาเลยว่ายอมปลงได้ว่าว่าลมลลายก็ล้มลลายว่าจะทําไงได้ห้ามไม่ได้ดยอมรับกับสภาพความเครียดความทุกข์ใจที่เกิดจากความกลัวว่าตนจะต้องล้มลลายมันก็หายไป นี่ยได้ว่าปัญญาคุณสมาธิคุณธนวันครับน้องกราพระอาจารย์เจ้าค่ะขอความเมตตายกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยเจ้าค่ะก็ร่างกายเนี่ย <c oughs> เกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมอะไรที่ตั้งอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวสักวันก็ต้องดับไป คุณเดอะมัลติเวอร์ชยูนิตีครับคำถามที่สองครับเป็นไปได้ไหมครับสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามนุษย์อาจจะอยู่บนดาวดวงอื่นครับโอ้ยอย่าไปสนใจเลยมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสรับเรามันต้องอยู่บนดวงดาวดวงใดดวงหนึ่งจะดวงไหนเนี่ยเท่านั้นนะดวงนี้แล้วดวงอื่นมันก็ไม่ต่างกันเพราะจักของมนุษย์ที่อยู่ดวงไหนก็ตามก็มีกิเลสตัณหาเหมือนกัน คุณสวัสดีครับเรียนถามพระอาจารย์ครับพระที่วัดที่จะไปจำบรรษาเต็มหรือยังครับแล้วมีการสอนภาวนาหรือไม่ครับคือที่วัด น, นี้ถ้าจะมันอยู่จำบรรษาเนี่ต้องผ่านเจ้าอาวาสเราไม่ทราบต้องไปติดต่อเจ้าอาวาสโดยตรงแต่เมื่อยังนี้ไม่รู้ต้องต้องไปถามเจ้าอาวาสเลยคุณอัชชาครับเวลาเกิดทุกขเวทนาทางกาย ใจมักจะเกิดความทุกข์ไปด้วยเสมอจะทําอย่างไรจึงจะแยกจิตออกจากกายได้ทุกครั้งเมื่อเจ็บป่วยเจ้าคะก็ต้องฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยฝึกสมาธิฝึกปัญญาฝึกสติถ้าเรามีสติทําใจให้งองบมีวิเคราได้เราก็แยกใจออกจากร่างกายได้ชั่วคราวเวลามันจะกลับมารวมเวลาออกจากสมาธิมาใจออกับร่างกายกลับมารวมกันเราก็ใช้ปัญญาคอยเตือนใจคอยแยกใจว่า ร่างกายไม่ใช่ใจใจเป็นทูรู้ร่างกายเป็นอะไรถ้าดูแลได้ก็ดูแลไปดูแลไม่ได้ก็ต้องยอมรับกับสภาพของมันไปนี่คือวิธีที่จะแก้ปัญหาเรื่องร่างกาย ร, ากา ร, าร่างกายเจ็บข้าได้เลยของร่างกายมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับการนับพัศการค่ะอยากรบกวนสอบถามพี่ชายไม่มีงานทำเงินเก็บแทบไม่มีแต่ไม่ค่อยประหยัด ตอนนี้อาศัยใช้เงินที่เหลือจากบำนาญที่คุณแม่ได้รับและใช้จ่ายในแต่ละเดือนเขาเลยพยายามไปหยากค่าใช้จ่ายต่างๆของคุณแม่ลงเช่นบางครั้งก็ไม่อยากให้เราพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลบ่อยๆเนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงตอนนี้คุณแม่เป็นสมองเสื่อมอายุมากเราไม่เห็นด้วยจนมีการเถียงหรือทะเลาะกันบางครั้งค่ะอยากรบกวนถามว่าสิ่งที่เขาทำ แ, แบบนี้ถือว่าเบาบาปไหมคะแต่เขาก็ช่วยดูแลคุณแม่ด้านอื่นๆบ้างค่ะควรวางใจยังไงให้ไม่รู้สึกโกรธครับ ก็คิดว่าเป็นกรรมของคุณแม่ไปแล้วที่ไม่สามารถที่จะรักษาเงินทองของตอนเองได้คุณคนึงจิตครับกาบเรียนถามผ้าจาย์ข่าเรื่องแนวทางปฏิบตัติเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความทุกข์หลายๆเรื่องมันเกิดจากใจเราไปที่ระยึดติด เมื่อเราทุกเรื่องอะไรก็ปล่อยมันไปซะอย่าเอามาคิดโยมคิดว่านะเวลานั้นถึงเราจะมีสติแต่ก็ยังหยุดคิดไม่ได้สักทีเราควรจะเริ่มอย่างไรก่อนดีคะและการทําสมาธิจะช่วยเราได้อย่างไรคะเราควรวางจิตเราไว้ตรงไหนคะก็ต้องฝึกสติต่อไปฝึกให้มีมากกว่านี้ฝึกจาระน่างเราสามารถหยุดความคิดของของใจได้เวลาที่ไปคิดถึงเรื่องที่เป็นทุกข์ต่างๆเราก็ต้องพุโทโธพุโทโธไป ถ้าเราสามารถทำพุทโธได้อย่างต่อเ น, นื่องห้านาทีแล้วก็มีเรื่องที่ทำให้เราทุกข์้ไม่เชื่อเราทำแล้วส่วนประโยชน์ที่ได้อย่างสมาธิก็จะทำให้ใจเรานี้สงบให้เราลืมเรื่องของปัญหาต่างๆไปชัว่วคราวให้ใจเรามีความสุขจากความสงบของใจ คำถามจากผู้ไม่ประสงคออกนามครับการเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลาผมนั่งสมาธิตอนกําหนดลมหายใจมักหายใจไม่ออกเกิดจากอะไรครับอาจจะเป็นเพราะเราเกรงมันวางเทการนั่งสมาธินี้เป็นสิ่งที่กิเลสมันไม่ชอบเพราะว่ามันถูกกําจัด ไ, ไม่สามารถให้กิเลสไปทําอะไรต่างๆได้กิเลสมันก็เลยสร้างภาวะอันนี้เกิดขึ้นมา ถ้าเราดูลมไม่ได้ก็ใช้การสวดมนต์ไม่ใช้คําบริกรรมพูดโถไปแทนก็ไนดะ้อย่าไปสนใจในเรื่องของลมคุณแสงประณีตครับขอาการเรียนถามอาจารย์เจ้าค่ะดิฉันเป็นคนชอบคิดมากควรทําอย่างไรดีเจ้าค่ะว่าต้องฝึกสติให้คิดพูดโถแทนคิดพูดโทแทนความคิดอย่างไรท่องพูดโถพูดโธไปบนน่อยในใจก็ได้ออกเสียงก็ได้ถ้าต่อไป ก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเ น, น, นี้จะคิดเดี่วของผู้โทผู้โทเพียอย่างเดียวคุณวีนาครับกาเบียนถามพระอาจารย์ว่าเมื่อเราทุกคนตายใครเป็นคนพาเราไปอบายถ้าเราทําบาปมากกว่าบุญและใครไปสวรรค์เราถ้าเราทําบุญมากกว่าบาปครับก็นี่นะบุญกับบาปเนี้ยตัวไหนมีกําลังมากกว่ามันก็จะเดินไปทางนั้นนะถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญก็จะเดิงไปทางอบาย ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าชก็จะเดินไปทางสวรรค์สุขบิเปรียบเทียมเหมือนกับจรวดเนี่ยจรวดนี้มันมีแรงสองแางคอยเด่งจรวดไว้แรงหนึ่งก็คอยดันให้จรวดขึ้นท้องฟ้าใช่ไหมส่วนอีกแรงหนึ่งก็เป็นคือแรงดึงอของโลกที่จะคอยดึงดูดให้จรวดมันตกลงมาอย่างถ้าแรงที่จะส่งจรวดให้ขึ้นไปท้องฟ้ามันมันมันน้อยกว่า แรงของหนึงดูดของโลกมันก็ขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปแล้วปั๊บมันเดี๋ยวมันก็ตกลงมาเช่นเดียวกันกับเรื่องของบุญกับของบาทเป็นเหมือนเป็นแรงที่อยู่เป็นคนละฝ้ากันอยู่คนด้านหนึ่งเดินขึ้นด้านหนึ่งเดินล ง, อ, งอันไหนมีกําลังมากกว่ามันก็จะเดินไปทางด้านนั้นเหมือนพวกชักกระเยาะกันเนี่ยเคยเรชักกระเยาะยังไหมสองสองฝ่ายถ้าฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะเดินไป ได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นได้เราจะถูกอานาจของบุญและบาปเป็นผู้ที่จะเล่งให้ไปสู่สุขคติหรือไปสู่ทุกขคติคุณมาสเตอร์ครับทําบุญถวายทองคําส ร, ร้างพระมาหาเจดีย์ได้อานิสงส์อย่างไรเจ้าคะก็ได้ทางเหมือนกับเป็นการเสียบอยจากเงินทองใส่บาทสร้างวัดสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างอะไรทาวาลวัตถุต่างๆก็เป็นการเป็นเป็นเรื่องของทาน e. นนั้นน่ย สร้างโรงพยาบาลแทนก็ได้เอาเงินที่เราจะไปซื้อทํากทำถวายสร้างมหาเจดีย์แล้วก็เอาไปสร้างโรงพยาบาลแทนก็ได้มันก็ได้อันนี้สอเท่ากันแต่ประโยชน์อาจจะต่างกันประโยชน์คือถ้าเราสร้า ง, งรโรงพยาบาลก็จะมีที่รักษาคนไข้ถ้าไปสร้างเจดีย์เวลาคนไข้จะเป็นอะไรไปที่เจดีย์ก็ไม่มีใครรักษาให้แต่เจดีย์มีประโยชน์อย่างไงก็มีไว้เป็นอนุสรณ์เป็นให้เรารำลึกถึงพระอรหันต์พระ พระเจ้าว่าครั้งหนึ่งในอดีตที่ยาวนานมานี้มีบุคคล น, นั้นประเสริฐได้มาเกิดในโลกนี้ซึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องมีทองคนเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นองค์ประกอบใช้แหลกหินปูนธรรมดาก็ได้แตม่มันเป็นค่านิยมมากกว่าค่านิยมว่าจะสร้างอะไรเป็นพุทธบูชาเป็นสังค บ, บูชาต้องเอาของที่มีคุณค่าราคามาสร้างถึง เราจะได้สังเกตครั บ, ข อ, บรของพระพุทธเจ้ากับสังเกตของพระอาจารตาสาวเท่านี้เป็นเป็นความเชื่อเป็นธรรมเนียมความเชื่อคำ ถ, ถามคล้ายกันครับแต่เป็นเรื่องถ่ายชีวิตโคกระบือครับถ้าทำทางเว็บได้บุญจริงไหมคะถ้าเราเสียสละไปแล้วก็ได้เ้าจะไปถ่ายหรือไม่ถ่ายนี่เราไม่รู้เรามันไม่เกี่ยวกับเราแต่เราน่าจากการที่เราเสียสละเงินทองก้อนนั้นไปนะเรามีความสุขใจอิ่ใจ คุณบุญชูครับน้อมกราบพระอาจารย์ครับคนที่ปฏิบัติตามในาศาสนาพุทธแต่ยังไม่บรรลุตายไปเกิดชาติหน้ามีโอกาสไปเกิดในาศาสนาอื่นไหมครับก็แล้วแต่ไปเกิดในครอบครัวไหนถ้าไปเกิดในครอบครัวที่ขน้อมถือคริสก็ต้องเป็นคริสไปตามพ่อแม่แต่อาจจะมาเปลี่ยนในภายหลังได้เช่นฝรั่งที่เกิดในครอบครัวที่มีาศาสนาคริสแต่เราก็ได้มีโอกาสได้ศึกษา พระุทธศาสนาเขาก็เปลี่ยนศาสนากันมาบวชที่มังไทยกันยากๆเลเปลี่ยนได้ศาสนานี่เปลี่ยนได้ไม่ว่าชาตินี้จะเป็นอะไรเวลาไปเกิดชาติหน้า น, นี่นก็แล้วแต่ว่าเราเกิดในครอบครัวไหนแล้วแล้วแต่ว่าความผูกพันของเราเมืกับศาสนาอะไรมากกว่ากันถึงแม้เราไปเกิดในศาสนาพุทธแต่ถ้าเรามีความผูกพันกับศาสนาคริสต์มากกว่าเราก็อาจจะเปลี่ยนศาสนาได้ หรือถ้าเราไปมีภรรยาหรือมีแฟนที่เป็นอิสลามเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนศาสนาเพราะอิสลามนี้เขาไม่ให้คนต่างศาสนาอยู่ร่วมกันสามีภรรยาจะอยู่ร่วมกันได้ต้องนับถึงศาสนาเดียวกันอันนี้ก็แล้วแต่เหตุการณ์เปลี่ยนได้แล้วแต่ว่าเรามีความผูกพันกับศาสนาไหนมากกว่ากัน คุณนรัตครับถ้าตั้งจิตแบ่งบุญให้สัตว์ข้างถนนให้เขาอยู่รอดปลอดภยัยเขาจะได้รับจริงไหมคะไม่จริงหรอกคือเราคิดไปส่วนเขาจะปลอดภัยไม่ปลอดภัยไม่ได้อยู่ที่ความคิดของเราเนีก็ดีไม่ต้องทําอะไรตั้งจิตอนิธฐานให้สัตว์ทั้งหลายปลอดภยัยไม่มีใครมาล่าไม่มีใครมาฆ่าขอให้ปลาทั้งหมดที่อยู่ในทะเลนี้ไม่มีประมงงมาจับมาเป็นอาหารให้มนุษย์กิน ส้างจิตไปยังไงมันก็มันก็ไม่เปลีป่ยนแปลงความจริงเพราะความจริงมันไม่ได้อยูที่การสร้างจิตคุณสมพรครับภาวนาต้องทําอย่างไรครับถ้าจะพูดนะก็หลอดเวลาก็คข้ อ, ขอกุญแจของข่ายของการภาวนาก็คือการจเจริญสติภาวนามีสอระดับสมถะภาวนาทําจิตให้สงบวิปัสสนาภาวนาทํำสอนจิตให้ฉลาด เบื้อ ง, องนเราต้องทำจิตให้สงบก่อนด้วยการเจริรสติเพื่อนั่งสมาธิถ้ามีสตินั่งสมาธิจิตก็จะสงบเมื่อสงบแล้วถ้าเราชานาญทําได้ความสงบแล้วแล้วก็ขึ้นมาทําขั้นปัญญามาสอนจิตให้ฉลาดให้ระับความหลงก็จะได้หยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจอันนี้ก็เป็นขั้นปัญญาขั้นสูงสุด คุณสุภกรครับถามพระอาจารย์ครับปลวกขึ้นบ้านดิฉันค่าจํานวนมากเลยค่ะค่าเองเลยค่ะทั้งๆที่รู้ว่าบาปแต่มันจําเป็นแล้วไปทําสังฆทานให้ปลวกปลวกจะได้รับและจะโหสิให้ดิฉันไหมคะถ้าคุณเป็นปลวกคุณจะเอาโหสิให้เับคนที่มาฆ่าคุณหรือเปล่าเราต้องเราต้องถามย้อนกลับมาที่ตัวของเราเองถ้าเราถ้าเขาฆ่าเราแล้วเขาบอกเขาไปทำบุญบุญให้กับเ ร, เราจะเอาไหม คุณจิรพัฒนครับสอบถามการปฏิบัติค่ะเวลานั่งสมาธิปวดเกรงบริเวณหน้าผากแล้วจะปวดหัวพยายามเปลี่ยนกําหนดพองยุคและกําหนดรู้สึกตัวแทนแต่มันยังรู้สึกชาชนืบเนืบปวดบริเวณหน้าผากอยู่ค่ะจะแก้อย่างไรดีเจ้าคะเวลานั่งสมาธิมันต้องมีการมีสติกํากับใจไม่ให้นั่งเฉยๆดูลมถ้าดูลมแล้วเกิดการเกรงขึ้นมาบริเวณหน้าผากก็ลองใช้ การสวดมนต์เมืใช้การบริการพูโทโธพูโทโธแทนก็ได้แต่อย่านั่งเฉยๆเพราะปกติใจไม่ชอบอยู่เฉยๆพอเราลงเคาท์แล้วมันนั่งเฉยๆมันจะรู้สึกเกร็งขึ้นมาทันทีแล้วมันก็ไปส่งผลต่อการปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแต่ถ้าเรามีสติคอยควบคุมมันอยู่นี่มันจะไม่เกร็งมันจะนิ่งจะเฉยเย่างส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีสติมากพอ ที่จะระงับการเก่งตัวของจิตได้ถ้าเรามีสติมากพอมันจะไม่เก่งมันจะเฉยเฉยจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับเรียนถามพระอาจารย์ครับบางเวลาผมไม่กลัวตายบางเวลาผมก็กลัวตายเกิดจากอะไรครับก็เไม่รู้เหมือนกันล่ะคุณคุณต้องถามตัวคุณเองแต่ทาไมเวลานี้คุณไม่กลัวตายทําไมเวลานี้คุณกลัวตาย กันเสียงคำนี้มันเป็นเสิ่งที่คนต้องหาคำตอบด้วยตัวเองจะดีกว่าคนอื่นเขาไม่มีหนูคำตอบดีถ้าบอกตัวเราเองคุณวิชิตครับเวลานั่งขัดสมาดขวาทับซ้ายเพื่อทำสมาธินานสิบห้าถึงสามสิบนาทีเมื่อเสร็จแล้วปวดใต้ขาพับด้านนอกข้างขวาตลอดมีวิธีแก้ไขยอย่างไรบ้างครับก็ปล่อยมันให้มันหายมันเองก็มันปวดับซ้าเดี๋ยวมันก็หายหเอง เป็นปกติของร่างกายเวลาที่นั่งทับกันมันก็ต้องมันต้องมีการปวดขึ้นมาเป็นธรรมดาพอเราเปลี่ยนอิระยบปวดสะพานมังก็าหายไปดังนการปฏิบัติต้องเปลี่ยนในระยะถ้าเจ็บทางนั้นปวดตรงนี้จากการนั่งก็ลุกขึ้นมาเดินแทนสลับกันไปคุณทีระครับก่าวนรัสการพ ร, ระอาจารย์ครับ คำถามคุณหมอวีพูดถึงการงานที่เปรียบเหมือนคว้าน้ําเหลวสุดท้ายทุกชีวิตก็คว้าน้ําเหลวเหมือนกันทั้งสิ้นใช่ไหมครับใช่ถ้าเราเาแต่ราบยศสารสนสิษฐ์มันก็เป็นการคว้าน้ำเหลวไม่ได้อะไรติดไปกับใจเลยแต่ถ้าเรามาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเมตตาศีลภาวนานี้เราจะได้ธรรมะติดไปกับใจขึ้นอยู่ว่าเราปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยปฏิบัติมากก็จะได้ธรรมะมาก ได้ความสุขความสงบของใจมากได้ลดความทุกข์ภายในใจให้มีน้อยลงไปจนกระทั่งหมดไปเลยก็ได้คุณแพทแพทครับขออนุญาตถามนะคะกรณีที่ไม่ฟังธรรมสม่ำเสมอและเสพข่าวทั้งโลกบ่อยๆสภาวะจิตจะไหลไปกิเลสไหมคะสังเกตเวลาจิตถูกกระทบจะฟุ้งซ่านบ่อยคะ่ะแน่นอนเรื่องของทางโลกนี่จะกระตุ้นกิเลสเตลอดเละ ให้เกิดความรักเกิดความชังเกิดความกลัเกิดความหลงแต่การฟัาธรรมนี้จะช่วยระงับการเกิดการของกิเลสให้น้อยลงแต่ไม่ทําให้หายไปถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติถึงขิดที่มันเราสามารถทําลายมันได้แต่การฟัาธรรมนี้ก็ช่วยลดยแบ่งเบาการปรากฏของกิเลสทันหาได้ในระดับ คุณสุทีรัตน์ครับกล่าวเรียนถามพระอาจารย์ครับผมรำคาญและกโกรธเวลาหมาข้างบ้านเหา่าขณะผมอยู่ในบ้านตัวเองไม่ว่าจะเดินไปไหนบ้านในบ้านพอหมามันเห็นมันก็เหา่าพยายามเมตตาเป็นมิตรกับหมาแล้วมันก็ยังเห่าผมจะทํายังไงดีครับโกรธมากสุดท้ายก็ไปตีมันจนเจ้าของหมาเห็นเข้าเขาก็จะมาว่าผมผมก็เลยด่าเจ้าของหมาไปจนบาดหมาง ก, กันแล้วครับอ๋อถ้าคุณเมตตาเป็นมิตรกับมันจริงๆก็ต้องปล่อยมันเห่านะนี่คุณเมตตา เพื่อให้มันหยุดเห่ามันก็ไม่หยุดทั้งนเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันที่มันจะถ้าคุณเมตตาถ้ามันจริงๆคุณก็ต้องปล่อยให้มันเหาจชกว่ามันจะหมดแรงเห่าถ้าคุณก็จะไม่โกรธมันถ้าคุณเมตตามันคุณจะไม่กดมันคุณจะให้อภัยมันนี่คุณไม่เมตตาคุณเมตตาด้วยด้วยวาจาด้วยความคิดแต่การกระทําของคุณมันไม่ได้แสดงถึงความเมตตาเลยคิดแต่ความจองเวรจองกรรมอาฆาตทยาบาลกันมาก คุณมาชาครับทําทานประเภทไหนทําให้เรามีสติปัญญาดีค ะ, ะไม่มีทานชนิดไหนที่ทําให้เรามีสติปัญญาดีทานนี้เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีการเสียสละมีจากกะแต่ไม่มีสติไม่ได้เพิ่มสติขึ้นมาได้อย่างไรต้องการจะมีสติเราต้องฝึกสติด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปทั้งวัน คุณนิสาครับขอเรียนถามการที่ทางวัดนําสังฆทานที่โยมนํามาถวายมาให้ญาติโยมทําบุญต่อจะได้บุญไหมคะถ้าถ้าเอามาให้น่าบอกให้บุญถห้โยมก็ไปทําบุญต่อจะไม่ได้บุญเพราะว่ามันไม่ได้ทํามันไม่ได้เกิดจากโยมความคิดของโยมเองอยถ้าให้โยมไปบอกว่าโยมเอาไปทําอะไรก็ได้แล้วแต่โยมแล้วโยมคนหนึ่งก็ว่าเอ า, เอาไปใช้ดีกว่าก็ไม่ได้บุญ มีคนนบอกว่าฉันพอแนละ้วฉันไม่อยากได้ของเหล่านี้เป็นของพระดิเอาไปทําบุญให้กับพระดีกว่าอย่างนี้เขาก็จะได้บุญแต่ถ้าไปบอกมันเขามาหรือปไปสั่งไปใช้เขานะ่ะให้เขาทาแทนเราท่นเองเราไม่มีเวลาไปทําบุญก็ยอมช่วยไปทําบุญให้เราหน่อยยอมก็ไม่ได้บุญอนะได้แต่เพียงนะการรับใช้พระเท่านั้นเองแต่ไม่ได้บุญจากการเสียสละ คุณอำนวยครับกาบเรียนถามพระอาจารย์ครับมีวิธีกาหนดสมาธิในแต่ละวันไม่ให้ลืมหรือลืมน้อยที่สุดไหมครับก็มันฝึกสติอยู่เรื่อยๆพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะไม่ค่อยลืมอะไรอะไรมันจะรู้ว่าเวลาทําอะไรน่ามันจะจดจำได้คุณแสงประนีษครับกาบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าขาคุณแม่ฝากถามถ้านั่งสมาธิแล้วชอบหลับจะบาปไหมคะไม่บาปแต่จะไม่ได้ดนะ คุณนีครับบุญและบารมีต่างกันยังไงคะและวิธีสร้างบารมีที่ถูกต้องควรเริ่มจากอะไรคะคือบุญก็เป็นเป็นผลที่เกิดจากการทํากรรมดีต่งางๆเช่นทาทานรักษาสิ่ปฏิบัติธรรมีเรียกว่าผลที่ได้จากการทําปฏิบัติเหล่านี้เรียกว่าเป็นบุญบุญคือความสุดใจเอ็นใจส่วนบารมีก็คือการ การกระทาที่จะทำให้จิตนี้มีพลังในการที่จะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจเราก็เรียกว่าบามีถ้ามีบามีสิครบน้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ ส, สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ คุณเฟื่องครับวันนี้มีการถามเกี่ยวกับลรคโลกค่ะลูกสาวดื้อไม่เชื่อฟังเลยเจ้าค่ะเลิกเรียนเสร็จแล้วไปเที่ยวต่อไม่ยอมกลับบ้านตามเวลากว่าจะถึงบ้านก็สองทุ่มสามทุ่มเจ้าค่ะจะแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะขอพระอาจารย์เมตตาทำเจ้าค่ะก็ต้องมีการตัดเตือนแล้วก็มีการคาดโทด้วย้อย่าทํานะทำแว้วจะตัดค่าขนี่มถ้าไม่มีเงินก็จะไปไหนได้หรือเปล่าแต่เราไม่กล้าทํากลัวเขาขู่เรา มันก็เลยทําให้เขาไม่ไม่กลัวเราว่าเราไม่สามารถลงโทษเขาได้เนี่ทุกคนเนี่ยทำไมต้องมีคุก ม, มีตารางไว้ทําไมมีเพื่อจะได้ลงโทษคนที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบที่ดีนั่นเองเพื่อประโยชน์ของตัวเขาเองคนที่จับคุกถูกจับขังคุกนี้เพื่อจะได้การไม่ให้เขาไปสร้างความเสียหายให้กับผู้อนะื่นแล้วเดี๋ยวผู้อื่นจะได้นุ่มทำร้ายเขาก็เลยจับไปขังคุกดีกว่า เหมือนกับลูกถ้าลูกพฤติตัวที่เสียหายถ้าปล่อยไปเดี๋ยวลูกก็จะยิ่งเสียหาย ใ, ใจจะแตกน่านจะเรียนไม่จบน่านจะไปทำอะไรต่างๆที่ที่ไม่น่าจะทำ ท, ที่จะทำนำความเสียหายมาให้กับตัวเขาเองดัน้เาเป็นหน้าที่ผู้ปกครองเราก็ต้องรู้จักวิธีปราบเขาห้ามเขาด้วยการใช้มาตรการต่างๆ เช่นตัเดเงินเดือนเขาอย่างนี้เป็นต้นแล้วค่าทวดถ้าทำบ่อยอาจจะบังคับให้เข้าไปเรียนบรงเรียนกินนอนทคุณปาลิชาติครับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าหากมีคนผิดศีลข้อสามแต่แล้วสามารถละการผิดศีลข้อนี้ได้ในภายหลังเช่นในยามชราภาพเมื่อตายไปจะต้องมีโอกาสกลับมาเป็นคนอีกไหมคะ ก็หลังจากใช้ใช้กรรมหมดแล้วก่อนเนี่ยทุกคนทําไม่ว่าจะทําบาปขนาดไหนหนักขนาดไหนเมื่อใช้กรรมบบัดหมดแล้วก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกทีแต่จะรอเวลาอันยาวนานอย่างพระเทวท่านนี่ก็ทําอันดันต์เรียกรรมพระเจ้าบอกว่าเมื่อพ้นกรรมแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ได้มนุย์เป็นพระประเจกขอพระพุทธเจ้าต่อไปเพราะมีมีบุญกรรมที่ยังไม่ได้ส่งผลแต่ทุก บาปที่มีกำลังมากกว่าครอบงำเลยต้องไปรับผลบาปคคุณจิตราครับบางคนบอกว่าคนที่ดูแลพ่อแม่ได้บุญและบาปเท่ากันจริงหรือไม่คะดูแลพ่อแม่มันควรจะได้แต่บุญใช่ไมเพราะไม่ได้ไปทำร้ายพ่อแม่ คุณป้าอุ้มครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับก่อนจะเข้านอนดูลมหายใจเข้าออกจนหลับไปแต่จิตไม่หยุดพิจารณาธรรมทบทวนธรรมที่ได้ฟังจากพระอาจารย์ช่วงระหว่างวันอย่างนี้เรียกว่าอะไรขอรับก็เรียกว่านั่งกายหลับแต่ใจไม่หลับสั้งคานก็คิดปลกแต่งต่อไปคุณภูมิครับการนั่งสมาธิใกล้ครูบาอาจารย์ผู้มียานสูง ทำให้เราสามารถทำสมาธิรวมจิตได้ดีขึ้นกว่านั่งคนเดียวที่ต้องใช้เวลานานกว่ากับผมรู้สึกไปเองหรือว่ามีส่วนช่วยด้านใดนด้านหนึ่งครับรอาจารย์มันเป็นเรื่งของจิตตวิทยาเมื่อเราอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วเราจะมีความเกรงเกรงกลัวแล้วก็อะไเลยอาจจะมีควา ม, มระมัดระวังก็เลยทําให้เรามีสติมากขึ้นเท่านั้นเอง คุณโฟโลค์คับหากเราตั้งจิตให้สงบประหนักถึงสิ่งที่ทำให้ใช้สติทุกขณะแต่ไม่ได้อยู่ในท่านั่งสมาธิถือเป็นการทำสมาธิไหมคะไม่ถือว่าเป็นการทำสมาธิเป็นการเจริญสติอยู่จิตจะไม่รวมลงเป็นอั ป, ปนาสมาธิหรือธริกาสมาธิได้ต้องนั่งนิ่งเง่ฉยๆแล้วก็เจริญสติเหมือนตอนที่เราทำอะไรทุกสิ่งอยจิตก็จะเข้าสู่สมาธิได้ จิตต้องเน้นสงบไม่มีการเคลื่อนไหวในจิตใจถึงเรียกว่าสมาธิแต่ถ้ายังมีความคิดปรุงแต่งอยู่มันยังไม่ถือว่าเป็นสมาธิลมนี้ยังเป็นปรุงแต่งอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์คือการดูมลมนี้ก็ยังเป็นการปรุงแต่ง ย, ยังไม่เติมไมตรองอครับคุณสุนิสาครับขอเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับหลักคิดของการเป็นผู้นําค่ะ การเป็นผู้นําดีพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ใน เ, เขาเรียกทัศนะอะไรราชพิธิธรรมนี่เราไปค้นหาดูคือเป็นคุณธรรมของผู้เป็นกษัตริย์กษัตริย์นี้ก็คือผู้นํอาองลองค้นดูท่านที่เข้าใจภาษาบาลีถ้าอยากจะแจ้งมาเพื่อให้คุณหมอแจ้งให้กับผู้นี้ให้เขาไปค้นหาหดูก็ได้เขาเรียกทศพิธราชธรรมอะไรทำทศีลประการสําหรับผู้ที่เป็นผู้นํา คือกษัตริย์มีจาคะมีความอดทนอดกั้นอะไรไม่ใช่จะปล่อยตามอารมณ์วาตรวจก็ต้องรู้จักมาครับไม่ใช่ปล่อยมาษณาการเกี่ยวกขาดตาวุ่น้างแต่วินุ่น้างมันก็ไม่ศรัทธาในุัวเราคุณกัะยาครับอาชีพครูเป็นอาชีพที่ได้ทำทั้งบุญและบาปสอนให้เด็กได้มีความรู้แต่บางที ก, ท ก, ทก็ทำโทษเด็กที่ดือ้อ ได้ทั้งบุญและบาปพระอาจารย์คิดว่าอย่างไรคะไม่บาปหรอกถ้าเราถ้าเราทำโทษเนี่ยด้วยความเมตตาทำด้วยเห็นด้วยผมเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เขาทำผิดอีกหรือเป็นการปลามเขาเนการสอนเขาให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีนะเชื่อเพราะว่าถ้าเราไม่ลงโทษเขาเขาจะไม่เห็นเขาเขาจะไม่กลัวการกระทำผิดเนี่ยเพราะทำแล้วไม่มีโทษไม่ต่างกับการไม่ได้กระทำ ก็มีนิทานเรื่องหนึ่งที่สำเร็จพระสาราษฎร์สำเร็จญาณท่านเน่นมเรรามญญาาาีพ่อแม่คู่หนึ่งรักลูกมากไม่กล้าลงโทษลูกไม่กล้าสอนลูกเวลาทําอะไรผิดพอโตขึ้นแล้วไม่รู้ละผิดอะไรถูกก็เลยไปทําผิดกฎหมายยอมทัางถูกจับลงโทษให้ติดคุกแล้วก็มาโทษพ่อแม่ว่าไม่สั่งสอนทำให้ไม่สอนไม่บอกผมก็ทําทอย่างนี้มันผิดจึงต้องเกิดโทษอย่างนี้ขึ้นมาอันนี้ก็ไปเพราะความรักลูกกลัวลูกจะโกอธ กลจะเป็นการบาปนั้นไม่บาปการที่ไม่สอนลูกไม่ลงโทษลูกเนี่ยเป็นการกระทำบาปต่อต่อลูกพอต่อไปลูกมันก็จะไม่มีความกลัวผลของการกระทําบาปไม่มีโอตบบาไม่มีความกลัวบาปไม่มีความกลัวกฎหมายมมาม ก, กาย็จะกล้าทําผิดเกฎหมายแล้วในที่สุดก็ถูกเจ้าหน้าที่ตํำรวจจับไปลงโทษคุณปุ้ยครับ วันนี้ขอโอกาสถามเรื่องตัวหยุดเวลาในการนั่งสมาธิค่ะเวลานั่งที่บ้านถ้าเราไม่เอานาฬิกาโทรศัพท์เข้าไปเราจะใช้อะไรเป็นตัวกําหนดเวลาของการนั่งหรือเดินจงกรมแต่ละครั้งนะคะอะการปฏิบัติเราต้องใช้สติเป็นตัวกําหนดเราไม่เป็นกนําหนดนาฬิกาถ้าเรากาบนาฬิกานั้นเราจะไม่ได้ผลเพราะใจเราจะไปคิดถึงนาฬิกาอยู่เรี่ยตอนที่กี่นมแล้วตอนที่กินนมแล้ว การปฏิบัติจริงๆภาพปฏิบัตินี้ท่านจะไม่ใช้นาฬิกาท่านจะใช้สติเป็นตัวตกำหนดท่ามีสติดีก็จะเดินได้นานท่ามีสติไม่ดีก็จะเดินได้ไม่นานท่ามีสติดีก็นั่งสมาธิได้นานท่านใช้สติเป็นหล คุณลุงวิทย์ครับกาเบียนพระอาจารย์ครับบางวันที่ตั้งใจถือศีลแปดตั้งแต่เช้าแต่ตกเย็นมีเหตุต้องทานข้าวจนต้องถอนศีนข้อวิการแบบนี้จะบาปไหมครับไม่บาปมันก็ไม่ได้บุญนั่นเองชอบชอเนะมาหิวตอนเย็นซะด้วยนะคคุณโจ๊กครับสอบถามพระอาจารย์ครับจิตชอบมีราคะหลงระงับไม่ได้และ จะมีอาการไม่ชอบครับก็เราฝึกสติให้มีอุเบกขาเราจะรับความรัดความฉังได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องพิจารณาถ้าเป็นราคาก็ต้องหมพิจารณาอสุภะคืความไม่สวยไม่งามของร่างกายของของคนที่เราไปมีความชอบความรักความชอบแต่อย่างตัดตายใช่ภูมของเขาเองก็กระดูกของเขาเมื่อกาจะทําให้ราคะที่เกิดขึ้น ละนองไปไดคาา้ครับอาจารย์ครับเมื่อกี้ย้อนคําถามนิดนึงครับแล้วอย่างถ้าไม่ใช้นาฬิกาแล้วพระที่ท่านปฏิบัติอยู่แล้วท่านจะรู้เวลาแบบปินทบาต อ, อะไรหรือท่านกําหนดได้ครับอาจารย์ อ, อ๋อบางบางเวลาเราก็ต้องรู้ลงหน้หาแต่ว่าเราจะปฏิบัติได้นายเท่าไหร่ถ้าเรารู้ว่าเรามีภารกิจที่ต้องทำํำเราก็จะอาจจะต้องกะเวลาเองนะแล้วแต่เวลาสยายลัญญาเราก็จะ เราก็ยากจะมีสติอยู่งานที่เราทำอยู่ปฏิบัติอยู่แต่เราอาจจะมีความจําคอยเตแล้วว่าเดี๋ยวเราต้องไปบินบธบนะก็าอาจจะต้องคอยคอยตรวจดูบ้างถ้ามีอะไรที่เราจะต้องไปทํานี้มันก็จะทําให้การปฏิบัตินี้มันถูกกำถูกจกํากัดลงเรอไม่สามารถปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติได้ แต่เวลาอย่านั้นเวลาท่านที่ท่านนั่งสมาธินานๆท่านนั่งจะ น, นั่งนั่งออนที่ค่ํายู่แล้วจากที่ไม่มีภารกิตการงานอะไรอย่างๆเวลานั้นท่านก็จะปฏิบัติยาวไปเลยแต่เวลาอานี้ท่านก็ปฏิบัติได้เป็นทับภาคเป็นช่วงๆไปแล้วแต่เหตุการณ์ที่เราบังคับให้ต้องไปทําอะไรก็ช่วงนั้นก็ต้องหยุดไปทุกนายอาจจะต้องดูนาฬิกาบ้า คุณขจรพลครับเวลานั่งสมาธิชอบรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกจนต้องลืมตาและออกจากสมาธิตลอดมีวิธีแก้อย่างไรไหมครับก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นก่อนจะมานั่งสมาธิก็ต้องให้มีสติอยู่แล้วเวลานั่งสมาธิก็ให้มีสติดูมองหายใจแล้วถ้าเรามีความรู้สึกหายใจไม่ออกก็ไม่ต้องไปสนใจให้รู้ไปเฉยให้ดูไปเฉยมันเป็นเรื่องของของความคิดบรุงแต่งของจิตเรามากกว่า เพราลมหายใจเวลาที่มันหายใช้ใจเป็นปกติมาตั้งแต่เกิดจนถึงเวลาที่เรามานั่งสมาธิมันไม่เปลี่ยนนอกจากมันจ้าหายสั้นหายใจสั้นหรือหายใจเร็วหรือหายหายใจยาวหรือหายใจสั้นช้าหรือเร็วใจมันไม่หยุดหายใจหรอกที่มันรู้สึกว่ามันจะหยุดหายใจครับเพราะว่าอุปทานเราไปคิดขึ้นมาเองคุณสำรวยมันเล่าให้ฟังครับ การน้ำพระสการ์ข้าพเจ้าเป็นคนที่ไม่แข็งแรงตั้งแต่เด็กสารพัดโรคแต่ไม่ชอบไปหาหมอยกเว้นถูกหางไปถ้าอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ก็เป็นร่างกายของเขาถ้าก็พอใจที่จะอยู่แบบนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเขาอาจจะมีพลังจิตพอที่จะทนกับความเจ็บปวดของร่างกายได้เขาก็ไม่ต้องไปหาหมอก็ได้เพราะเราส่วนใหญ่ที่ไปหาหมอเพราะทนความเจ็บไม่ได้นะค่ะไม่กลัวว่ามันจะเป็นอะไรรุนแรงขึ้นมาก็เลยไปหาหมอ แต่บางคนอาจจะทนกับความเจ็บได้หรือไม่กลัวอย่างมากก็คิดว่าอย่างมากก็แค่ตายวะ่ะแล้วบางทีเขาก็ไม่ไปหาหมอก็นี้คุณสายใจครับรู้สึกเกลียดพี่สาวและพี่เขยของสา ม, มีมากพี่เขยเป็นคนสำรวยแต่ไม่ทํางานเกาะพี่สาวกินและเขาชอบมาวุ่นวายกับเราจะทําอย่างไรเขาออกไปจากชีวิตเราได้คะก็ต <g> ้องแยกกันอยู่ ถ้าก็อยู่ตรงนี้เราก็ย้ายไปอยู่อีที่หนึ่งนำคนต่างอยู่มันไปถ้าอยู่ด้วยกันมันก็ก็ต้องเจอกันเป็นธรรมดาคุณชอบพกาครับแม่ค้าที่สั่งออเดอร์เป็นชิ้นส่วนไก่เช่นปีกไก่น่องไก่ที่เขาทําเป็นห่อแล้วมาขายบาปไหมคะถ้าสาั่งง่วงง้าก็บาบเราเขาจะต้องไปฆ่าไก่เพื่อเอาชิ้นส่วนต่างๆที่เราต้องการมาให้ขายกำลัง แต่ถ้าเราไปซื้อของที่มีอยู่แล้ววันที่เราไม่ได้สั่งเข้าไว้ตรงนั้นก็ไม่บาปเพราะจนไม่ได้เป็นคุณสั่งให้ก็ทําให้เราคุณวิชาญครับนักวิชการพระอาจารย์ครั บ, กกรรรรบตอนจเจริญสติประจำวันจะท่องพุทธังสะระนังคัจฉามิแต่ตอนนั่งสมาธิจะดูลมหายใจเข้าออกแบบนี้ได้ไหมครับได้ได คุณเตือนครับพระอาจารย์คะเมื่อเราฝึกรู้ทันจิตทันใจรู้ว่าโมโหจึงว่าตัวเองว่างโง่จากนั้นจิตหดหูพอรู้ทันจิตหดหูจิตก็เบิกบานขึ้นมาเห็นว่าไม่เที่ยงแล้วต้องฝึกยังไงต่อไปคะเหมือนว่าพอมีเรื่องใหม่ใจก็แกล้งอีกแล้วเราก็ไปรู้มันอีกเหมือนมันไม่จบเลยคะ่ะที่ทํามาถูกทางไหมคะรบกวนพระอาจารย์เมตตาชี้แนะให้โยมด้วยคะ่ะไม่เถือนหรอกเพราะเป้าหมายของการปฏิบัตินี้เพื่อทําให้ใจสงบตลอดเวลา ไม่แกว่ไปแกว่ามาการนี่จะทำให้ใจไม่สงบตลอดเวลาต้องใช้การิจริญสติเพื่อให้จิตเข้าสมาธิเพื่อให้จิตสงบนิ่งแล้วหลังจากออกจากสมาธิมาก็ต้องใช้ปัญญาคอยรักษาความลิ่งของใจต่อไปถึงจะเป็นวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องคุณจงรักครับเคยนั่งสมาธิแล้วนิ่งได้มากขาสบายตัวมากแล้วรู้สึก เข้าถึงสมาธิมากได้ครั้งหนึ่งเมื่อสิบปีก่อนแต่หลังจากนั้นไม่เคยนั่งได้สมาธิแบบนั้นอีกพยายามจะนั่งได้แบบนั้นอีกการอยากได้สมาธิแบบนั้นคือกิเลสที่เกิดจากความอยากใหม่เจ้าคะ่ะคือการอยากได้นีอยากได้ความสงบนี้ไม่ถือว่าเป็นกิเลสหรือว่าเป็นธรรมที่เป็นกิเลสเพราะว่ า, วานั่นไม่ถูกวิธีนั่นเนาะอยากอยากให้มันเกิดขึ้นเองนี่มันเป็นเป็นไปไม่ได้อย่างนี้ถึงเป็นกิเลส เวลานั่งเขาต้องมีจากวิธีนั่งที่ถูกวิธีก็ต้องมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่อยู่กับพูดโทรอ ย, อย่างเดียวแล้วก็จะได้คลาดสนกกลับขึ้นมาใหม่ได้คุณพัดครับจะต้องทําอย่างไรถึงจะส่งบุญให้คุณแม่ที่ล่วงรับไปแล้วได้ครับก็เราไม่รู้ว่าคุณแม่เขารอรับอยู่หรือเปล่าบาคุณแม่เขาเมตบุญมากเขาไม่ต้องมาคล้อทุกส่วนบุญอย่างเราก็ได้ก็ไม่ต้องไปกังวล เราให้ท่านมาขอบุญก่อนท่านจะเข้ามาเข้าฝันแล้วมาบอกมาว่าว่าไวลูกแม่ลำบากไม่เคยช่วยแม่หน่อยสิถ้าอย่างนั้นก็ไปใส่าบาตรแล้วก็อาทินบุญให้กับแม่หรือทําบุญเยอะๆถ้าเรามีกําลังมากก็ทําเยอะแม่จะได้บุญเยอะคุณนนุชครับการทํางานแล้วรู้สึกตัวในขณะทํางานบ่อยๆกําหนดรู้ที่การเคลื่อนไหวร่างกายรู้สึก ที่มือขณะที่พิมพ์งานหรือถ้าเดินก็ให้รู้สึกที่เท้าช่วยเพิ่มกำลังสติได้ไหมคะได้ไดเราคอยกำหลนดูการเคลื่นนอนไหวต่างๆของร่างกายแล้วไม่ให้ไปคิดถึงนเรื่องราอย่างหนึ่เพจะทำให้มีสติคือการเจริญสตินี่เพื่อให้เรานับความคิดคุณชนาพรครับแม่ป่วยเป็นพาร์กินสันค่ะแต่ไม่ค่อยยอมรับ กายที่เป็นไม่สนใจใครจะพูดยังไงให้ระวังเขาบอกว่าหากล้มก็เอาเขาขึ้นแค่นั้นแต่โชคดีที่ส่วนใหญ่ล้มท่านั่งเลยไม่กลัวหรือเปล่าคะแต่ลูกๆ ก, กลับกลัวว่าแม่อาจพลาดเกิดติดเตียงหรือบาดเจ็บได้คะ่ะฟังแต่ไม่สนใจเราควรวางกายใจอย่างไรคะบางครั้งก็อยากปล่อยคะ่ะแต่ก็ยากที่จะปล่อยเราควรทาอย่างไรดีคะก็ <S <S ะเราบังคับแม่ไหรือปลเราบังคับแม่ได้ก็ต้องปล่อยแม่ ครับไปตามานิสัยตามเรื่องของเขาได้เลยเรามีหน้าที่คอยดูแลเขาก็ดูแลไปแต่เราไม่สามารถไปดก็คุมเับให้เขาทาตามที่เราต้องการได้คุณพระสินครับพระอาจารย์ครับการเป็นชายไม่จริงหญิงไม่สามารถบรรลุทําได้จริงหรือครับไม่จริงครับทุกคนบรรุธรรมได้ถ้าสามารถปฏิบัติมักแปดได้เขาบอก เพเป็นเรื่องของจิตจิตไม่มีเพศนะการที่มีเพศหญิงเ ช, เ ช, ช้เพศชายเขาบอกว่าจิตที่ไปชอบผู้ชายเราก็เลยเรียกว่าจิตนี้เป็นจิตหญิงจิตที่ไปชอบผู้หญิงแล้วก็จิตนี้เป็นจิตชายแต่มันก็เป็นกิเลสตัวเดียวกันโัวชอบผู้หญิงนั่นตัวชอบผู้ชายก็เป็นกิเลสเหมือนกันเป็นการมาราคหมือนกันถ้าเห็นอนุภาพก็ดับกิเลสตัวนี้ได้เหมือนกัน ดังนั้นเรื่องของการบรรลุธรรมนี้ไม่อยู่ที่เพศที่วัยไม่ได้อยู่ที่อายุไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นสถานะภาพอะไรเป็นภาพหรือเป็นคารวาไม่เกี่ยวกับการบรรลุธรรมการบรรลุธรรมเกี่ยวอยู่ที่สติสมาธิปัญญาวิริยะแล้วก็ศรัทธาห้าตัวนี้ทั้งคุณประสานครับการใช้สติแก้ไขปัญหาตกลงใช้สมองหรือใช้ใจครับ ถ้าใช้สติใช้ปัญญานี้ใช้ใจสมองมีคิดไม่เป็นสมองม่เพียงแต่นะ้ำทําหน้าที่ควบคุมการทํา ง, งานของอวัยวะทางหน้ากายทั้งนี้ด้วยประสานส่งสัญญาณให้กับอวัยวะต่างๆให้ทํา ง, งานตามหน้าที่ของอวัยวะต่างๆแต่ผู้ที่ 3, สั่สมองอีกทีคือใจผู้คิดนี้คือใจคุณอาทิตครับพระอาจารย์ครั บ, รรบแนะนําวิธีการพักการคิดได้ไหมครับ ก็เนี่ยที่พูดมาทั้งเกือบสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็จให้เจริญสติไงพยายามพุโทโธพุโทโธพุทโธไปเรื่อยเนี่ยเรีย ว, ว่าคอยเฝ้าดูว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับงานนั่นเพียงอย่างเดียวจึงนําลังแปลงพันก็ให้อยู่กับการแปลงฟันอย่าให้ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้นี่ก็คือวิธีการหยุดความคิดไปในตัวคุณมิตรครับการน้ัพสการ์ค่ะเมื่อก่อนจะรู้สึกทุกข์ในบางครั้งเมื่อเกิดปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลง แต่ตอนนี้จะคิดได้ว่าเรื่องหรือปัญหาต่างๆเป็นแค่ส่วนหนึ่งในสังสารวัตรเท่านั้นปัญหาต่างๆความรู้สึกแย่ๆจะลดลงความคิดแบบนี้ทําให้สบายใจขึ้นมากไม่ทุกข์กังวลต่างๆแบบนี้ถือว่าคิดถูกทางไหมคะถูกทางนะถ้าเรายอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสังสารวัตคือการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรแน่แท้แท้แน่นอนมีการเคลื่อนไหวหเปลี่ยนแปลงทุกอยาก่างยืดได้เกิดแล้วก็ดับได้ดีแล้วก็เสียได้ คุณภาคนิลันนะครับผมป่วยเป็นโรคทางเดินปัสสาวะเวลาอาการกำเริบจะทรมานมากท่านอาจารย์ได้อธิบายวิธีการดับทุกข์ทางกายดับทุกข์ทางใจในเรื่องของการปวดท้องปวดปัสสาวะในช่วงต้นรายการพอดีอาัศาจรรย์อ๋ออัศาจรรย์มากครับมออไนะ <laughs> คุณสนันครับพระอาจารย์ครับเคยทำไดถึงอปปนาตอนนี้ทาไม่ไดผมจะไปต่ออย่างไรครับ ก็ลองกลับมาเจริญสติใหม่มาพุโทโธพุโทโธพุโทโธใหม่ทั้งวันอย่าไปคิดอะไรแล้วก็ไปนั่งสมาธิเดี๋ยวก็ได้หลวงตามหาบัวท่านก็เคยเล่าว่าท่านก็เคยเข้าสมาธิได้แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งท่านไปทับกรดทับกรดที่เอบะภาเอามาใช้เป็นหลังคามุงเอามุ้งมามามุงรอบเพื่อที่จะนั่งสมาธิเวลาไปทุงดก็เป็นเหมือนบ้านทวงต ท่านช่วงที่ท่านทากฎทั้งจิตทั า, ทางก็ปรุงแต่กันเริ่มกดอยู่ไม่ได้คิดไมได่มีการควบคุมใจเลยพอเวลาไปนั่งสมาธิก็นั่งไม่ไม่เข้เพราะไม่มีสติเลยไม่สามารถควบคุมอยู่ความคิดได้ความคิดก็ยังคิดถึงเรื่องกดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตอนนั้นถ้าบอกจต้องรู้สึกทรมานใจมากเคย น, นั่งแล้วสงบนี่ตอหลังนี่มันไม่สงบดังนันเลยต้องทดลอ ง, อ ง, องคิดคน ปัญหาสาเหตุก็พบ ว, ว่าออกเไม่มีสตินั้นเต้องกลับมาเจริสติมาสุดพุดโทโธพุทโธหยุดความคิดต่างๆณพอเวลาหน้าก็ใช้พุโทโธพุโทโธนี้คอยควบคุมใจใจก็เข้าสู่ความสงบได้ต่อไปคุณละพัฒกรครับปกติสวดมนต์องค์มหาจากกักรพรรดิแต่ได้ยินคนบอกว่าหากจิตเราไม่ถึงห้ามสวดอยากขอถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเพื่อความเข้าใจว่าเราสวดได้ไหมคะ ส่วนได้ทั้งหมดมันไม่ได้อยู่ที่จิตถึงไม่ถึงการสวดพราการสวด น, นี่เป็นการสวดเพื่อให้เราฝึกสติ์นั่นเองเพื่อให้เรารล้ับความคิดปุ่มแต่งต่างๆไม่ได้สวดเพื่อให้เราร่ํารวยเป็นมหาจักรพรรดิอย่างนั้นเข้าใจผิดกนะันคนส่วนใหญ่คิดว่าการสวดมนต์นี่จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือให้เราร่ํารวยขึ้ น, นากิจการก้าวหน้ารุงเรืองให้เราได้แฟนตามที่เราอยากได้อันนี้ไม่ใช่นะเป็นความเป็นความเข้าใจิด การฝึกจิตของเราให้มีสติซึ่งก็จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นก็มีความสุขมากขึ้นความทุกข์น้อยลงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้เราจเจริญทางราบยุทธสารเสริแต่อย่างไรคุณยานิสาครับการฟังธรรมแบบที่ทำกําลังทําแบบนี้คือการนั่งสมาธิได้ไหมคะการฟังธรรมก็เป็นการฝึกสมาธิรูปแบบหนึ่งแต่จะไม่สมกูรเต็มที่เต็มร้อยท่านหนึงเพราะจิตยัง คิดปรุงแต่งกับทําที่เราฟังอยู่แต่ถ้าเราไม่คิดปุงแต่งเลยทําแต่เสียงอย่างเดียวเหมือนกับดูลมถ้าไม่คิดปุงแต่งจิตเราอาจจะรวมเข้าสู่สมาธิในขณะที่เราฟังทำก็ได้คุณอํานวยครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับมีวิธีการดูลมหรือก้าวเท้าให้ตลอดเวลาหรือมากที่สุดในแต่ละวันไหมครับก็ทําทบ่อยๆทําอยู่เรื่อ ย, ยๆพอเรืได้ก็ดูลม เนี่ยเลื่นได้ก็หลุเท้าไปเวลาเดินก็พอเลื่อนได้ดเท้าก็หลุเท้าไปเวลานั่งพอเราเลื่อนได้ก็เลื่ลงไปแต่ถ้าเราทํางานแล้วก็ไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้เราต้องไม่ทํางานแล้วไปหยู่คนเดียวไปปิดวิเวกเราคอยเตือนว่าตัวเราว่าเวลาเดินให้อยู่เท้าเวลานั่งให้อยู่ คุณเสกสรรครับมีคำถามเราให้การช่วยเหลือผู้อื่นจนทาให้ตัวเองเดือดร้อนแต่เรายินดีช่วยเหลือเราจะได้บุญจากการให้ไหมครับได้ถ้าเรายินดีช่วยเหลือผู้อื่นถึงแม้เราจะเดือดร้อนเราก็ยินดีินแสดงว่าเราเป็นระดับของอซูปเปอร์คือไม่ใช่เป็นธรรมดาส่วนถ้าธรรมดาก็เราก็จะช่วยผู้อื่นแต่จะไม่ทำให้ตัวเราเดือดร้อน ถ้าเรายอมทําให้ตัวเราถึงร่างข้าวเชื้อเืออื่นเราถือว่าเราเป็นระดับซูปเปอร์หรือระดับโพธิสัตว์ก็ได้คุณจงกลณีครับเวลาไปบริจาคโลหิตทุกครั้งจะสามารถอุทิศบุญกุศลได้ไหมคะได้เพราะเวลาทำบุญเวลาบริจาคเราจะมีความรู้สึกสุดใจที่เราได้เสียสละเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่เราก็สามารถอุทิศบุญได้กับผู้ที่รองรับไปได้ คุณอินวอนครับแม่ชีแก้วเสียงล้ําท่านเทศว่ายิ่งเรียนสูงกิเลสยิ่งเยอะแม่ชีเรียนพุโทโธคําเดียวแม่จบสามแดนโลกธาตุในทางของคารวาะนั้นฝึกพุโทโธถึงขั้นบรรลุนั้นยากไหมครับไม่ยากถ้าเราอย่างต่อเนี่ยถ้าเราขยันไม่หยุดไม่หยุดพุดโทโธตั้งแต่ตื่นจนดับเนี้ยมันก็ไม่ไม่ยากมันยากตรงที่เราขี้เกียจเท่านี้นขี้เกียจพุโทโธเท่านั้ คุณมีมีครับกลาบพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิจิตไม่นิ่งแตแต่เวลามาฟังพระอาจารย์เทศหรือพระอาจารย์ท่านอื่นๆทําให้จิตสงบเข้าใจรับรู้ถึงธรรมมากขึ้นเจ้าค่ะเพราะมันมีเครื่องหนึ่งอยู่ใจเครื่องหนึงงน่งอยู่ความสนใจเวลาทำธรรมของครูอาจารย์เราสนใจใจเราเลยจดจ่อม่สถียอยู่การทำธรรมก็ทําจิตให้นิ่งได้แต่เวลานั่งสมาธิของเราตามธรรม น, นี้มันไม่มีอะไร ดึงดูให้เรามีสติดูมันก็รู้สึกมันไม่จืดชื่อมันไม่น่าดูฟังพูดโทรมันก็ไม่ไม่มันก็ทําไม่ไม่ไม่ไม่ถูกใจนะมันก็เลยทําสมาธิยากไปแล้วคนนี้บางคนถึงก็อาศัยการฟังธรรมเป็นวิธีฝึกสมาธิไปในเบื้องต้นก่อนแต่ต่อไปพอมีสติมีกําลังสามารถทําได้ด้วยตัวเองก็สามารถนั่งนั่งสมาธิโดยที่ไม่ต้องฟังธรรม คุณเจด้าครับกาบเรียนถามการนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้บุคคลที่เป็นทุกข์ที่เขายังมีชีวิตอยู่นอกจากจะส่งผลให้ตัวเราเองสบายใจแล้วบุคคลนั้นจะรับผลอะไรหรือไม่อย่างไรคะับการขอบพระคุณค่ะไม่ได้ไม่ได้จะได้รับอะไรนะเพราะว่าการนั่งสมาธินี่เป็นเรื่องของเราไม่ได้เป็นเรื่องของคนอื่นคนอื่นเขาจะทุกข์เมื่อไม่ทุกข์นี้อยู่ที่ตัวเขาเอง คุณเจริญครับกาบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าขา่าวเวลาคนใกล้ตายธาตุไหนดับก่อนกันเจ้าคะใช่ธาตุไฟหรือเปล่าเจ้าคะไฟลมน้ำดินครับธาลมก่อนสิหมนลมหายใจก่อนเพราะลมหายใจอยู่อวัยวะต่างๆก็หยุดทํางานธาตุไฟก็ค่อยตามมาร่างกายก็จะเย็นขึ้นมาแล้วถ้าทิ้งไม่ต่อไปทาตน้ําก็จะแยกออกมาน้ําก็จะามาทํางทวารต่างๆ เวลาที่สุดก็เหลต่ธาตุดินแห้งกรอบไปเป็นแต่ธาตุดินคุณเมธีกิจครับกล่าวนำ้ำรสการครับขอถามนะครับข้อที่หนึ่งสมาธิระดับใดถึงจะเหมาะสําหรับใช้ในการพิจารณาธรรมเพื่อปัญญามรรคผลนิพพานครับเอสมาธินี้ต้องในระดับอฌานสี่ไม่ได้ให้พิจารณาในขณะที่อยู่ในฌานสี่ ต้องให้ได้านฌานสี่แล้วจิตจะมีอุเบกขาแล้วเราจากสมาธิมาจิตที่มีอุเบกขาก็จะมีกําลังที่จะพิจารณาทำที่เป็นของยากต่อการพิจารณาเช่นอะสุภะเรือความตายถ้าจิตไม่มีอุเบกขานี้กิเลสจะคอยกันไม่ให้เราไปพิจารณาถึงความตายพิจารณาถึงอสุภะเพราะมันจะสร้างความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเลลวลาต้องคิดถึงความตาย สร้างความตัวขึ้นมาได้แต่ถ้าจิตมีอุเบกขาได้จากฌาน4ี่เวลาจากสมาธิอุเบกขานี้ยังจะมีขั้มค้างอยู่ในใจก็จะมาทําให้จิตนี้ไม่มีความรู้สึกหวาดตัวกับการพิจารณาสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวเช่นความตายหรืออสุภ า, นายนยมดังนั้นถ้าจะพิจารณาปัญญาจริงๆนี้ต้องมีอุเบกขาที่เกิดจากฌานสี่ ข้อสองครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าถึงสมาธิระดับที่เหมาะสมนั้นแล้วครับก็ถ้าเหมาะสมถ้าพิจารณาได้ก็เหมาะสมถ้าพิจารณาไม่ได้ก็ยังไม่เหมาะสมแล้วก็อยู่ที่ว่าพิจารณาได้นานหรือไม่นานด้วยโอเคและพิจารนณะาได้แค่สองสามวินานทีแล้วก็เลิกนะอันนี้ก็ยังก็แสดงว่ามีกำลังน้อยเพราะการพิจารณานี่ต้องพิจารณาแบบแบบแทาตลอดเวลาเลย จกกนกระทัานมันเห็นตลอดเวลาเลยเห็นอสุภาพตลอดเวลาเห็นความตายตลอดเวลาเลยข้อที่สามครับทำข้อใดเหมาะสมในการเริ่มต้นนำมาพิจารณาเพื่อปัญญามรรคผลนิพพานครับทำเบื้องต้นก็คือการเจริญสติต้องเจริญสติก่อนสตินี้เป็นผู้นำทำทั้งหลายถ้าไม่มีสติแล้วจะทำอย่างอื่นไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้ เน้นนั่ปฏิบัติจงวางสติก่อนคุณสมพรครับเนคข ม, มะบารมีคืออะไรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะมีเนคข ม, มะบารมีครับเนคข ม, มะก็คือการออกจากกามนั่นเองการเลิกเศษกามสุขเรีว่าเนคข ม, มะก็คือพวกนักบวชทั้งหลา ย, ยก็ต้องถือศีลแปดขึ้นไปถึงจะมีเนคข ม, มะบารมีเกิดขึ้นมา คุณจิรพันธ์ครับพระอาจารย์คะตัวเองไม่อยากเวียนว่า้ตายเกิดอยากพอแต่เพียงชาตินี้เป็นไปได้ไหมคะต้องปฏิบัติอยากเฉยๆไม่สามารถทําให้ยุติการเวียนว่า้ตายเกิดเนีต้องปฏิบัติทั่วละกามาธนหาพวะธนหา น, าา ว, าานาวิภาวาาาัตนหาให้หมดไปจากใจเท่านั้นเพียงทําให้ไม่มีการกลับมาเวียนไหว้าตายเกิดอีกต่อไปคุณเจษฎากรครับกลับเวียนถามพระอาจารย์ครับ การภาวนากับการสร้างบุญกุศลต่างๆได้อนิสงต่างกันอย่างไรครับก็การสร้างบุญสร้างกุศลที่เราที่เราเข้าใจกันในส่วนใหญ่ก็คือการทำบุญทำทานเองเราเรียกว่าสร้างบุญสร้างกุศลการภาวนาก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลในระดับแต่เรามักจะไม่พูดว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเราไปเรียกว่าภาวนาการสร้างบุญสร้างกุศลที่สูงสุดคือการภาวนา นอนงมาก็คือการรักษาศีลนอนลงมาก็คือการทาบุญทำทานนี่คุณปียรออนครับการนั่งสมาธิไประยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าจิตออกมาจากร่างกายรู้สึกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราคืออะไรคะก็ <the ir ness> คื อ, อคาาะะวามรู้สึกนึกคิดของรางนั่นเอง <het it> คุณนีครับตอนเด็กๆ เ, เอาหนังยางไปรัดหางแมวจนหางเน่าทําให้แมวเจ็บแบบนี้จะบาปไหมคะทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการคะ่ะเพราะตอนนั้นเด็กอยู่คะ่ะก็ไปทําให้เขาเดี๋ยวต่อไปก็เราก็จะถูกคนเด็กเข้ามาทำเราโกรกลับคงเกวียนทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นกลับมาค่ะคุณเล็กครับต้องทําจิตและคิดอย่างไรคะคนข้างบ้านชอบกั่นแกล้งทั้งที่เราไม่ได้ทําอะไรให้ ก็คิดว่าเป็นกรรมของเราเพราะกันที่เรามาอยู่ใกล้กับคนที่ชอาการแกลงเราหรือจะคิดว่าเป็นเป็นการสร้างบารมีก็ได้คือขันติบารมีหรือถ้าไม่มารบอกมีขันติบอ ก, กิดบารมีบอกเกิดมีคําพูดมารบอมีบารมีบอกมีบอกเกิดก็คิดว่าเขาเป็นมารมาเพื่อมาสร้างมาบังคับให้นํา ม, มาสร้างบารมีคือความอดทน คุณเอ็มมีครับการกล่าวเรียนถามพระอาจารย์ครับพระที่ต้องอาบัติขณะบวชเหตุใดพ่อแม่จึงมีส่วนบาปนั้นด้วยครับไม่มีไม่มีคุณครูก็ใจผิดบาปของพระเรื่องของพระพ่อแม่ไม่เกี่ยวบุญของพระการเรื่ อ, องบุญพระพ่อแม่ไม่เกี่ยวพ่อแม่ไม่ได้บุญจากการบวชของลูกนะพระอาจารย์นะแต่เราไปคิดว่าพ่อแม่ได้บุญได้บุญตรงไหนได้บุญทอน ท, ที่มามาหาลูกแล้วก็เอาเงินเอ า, เอาทองมาเข้าของมาถวายพระเนี่ยถึงได้นีญ แต่บวชเฉยๆแล้วไม่เคยมาวัดไม่เคยมาทมําบุญอะไรก็ไม่ได้บุญบวชเสรก็ปล่อยให้ว่าเหมือนกัตัดพตัดหางปล่อยตัดตหางปล่อยวัดอย่างนี้ก็ไม่ได้บุญเลยที่ได้บุญเพราะมี ต, ต้องคิดถึงลูกก็ต้องมาวัดก็มาวัดก็ต้องมาทมําบุญใส่บาตรถ้าใส่อกเดียวมันก็น่าเกลียดนะก็เลยต้องสายหลายๆลูกก็จะได้ทําบุญได้โอกาสได้ทําบุญถึงจะได้บุญบุญเกิดขึ้นจากการทําบุญ ไม่ได้เกิดขึ้นจากการทําบุญและทําบาปของผู้นั้นต้องเกิดจากการทําบุญของเราเองครับคุณเล็กครับเวลาฟังสวดมนต์บางทีล้างจานก็นึกถึงบทสวด บ, บางท่อนในใจอย่างนี้ควรหรือไม่ควรคะก็นึกได้เพราะว่ามันก็เป็นการช่วยระงับความคิดต่างๆได้เป็นการเจริญสติไปนึกถึงบทสวดมนต์ในเมื่อการมัน ย, วยาวมันนานจได้ไประโยชน์มาก ใันได้แค่วาดเดียวสองแวมมันก็ได้นิดเดียวคุณภูมิครับในสภาวะธรรมอุปจาระสมาธิยังมีอาการรู้สึกถึงผลทพภาของร่างกายและคําภาวนาพุโทโธอยู่ไหมครับในอัปปนาสมาธิจิต จ, จะรู้สึกเหลือแต่อะไรหรือกําหนดอย่างไรต่อครับเวลาอยู่ในสมาธินี่จะไม่รู้เรื่องของร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นอุปจาระสมาธิหรืออัปปนาสมาธินี่จิตจะอยู่ตามลำพังของมัน ไม่เกี่ยวข้องกับร่างกายคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับคุณนิภาวันกราบพระอาจารย์สั่งสอนวิธีละความอิจฉาครับละความอิจฉาด้วยมุนิตาคือชื่นชมยินดีกับความสุขความเจริญของผู้หนึ่งในภรมิหารสีเมตตากรุณามุนิตาอุเบกขาเวลาเห็นใครเขาได้ดีด้วยดีก็ต้องชื่นชมยินดีกับความสุขของเขาความเจริญ ข, ของเขา ที่ว่าเป็นบุญของเขาเราไปห้ามไม่ได้เ ร, ดเรื่องบุญเรื่องบาปของแต่ละคนนี่เราห้ามไม่ได้แข่งว่าแข่งเรือนี่พอแข่งกันได้แต่แข่งเรื่องบุบารมยนี่แข่งไม่ได้ค้ดอย่างนี้ขอบคุณพระอาจารย์ครับขอโอกาสครับพระอาจารย์วันนี้มีคนฟังอยู่ใน f เฟซบุ๊ก 853อยหสบสาคนในยู u t u เจ็ด0้อยสี่สิบในครับเ o าสิบแปดคนวันนี้มีคนฟังทํรร่วมกันหนึ่งพันหกร้อยสิบเอ็ดคนครับอาจารย์ครับก็ย็นดีกับทุกท่านที่เข้ามารวมฟังเทศฟังธรรมกันหวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยและนำอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นต่อไปการแสดงสำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านลงมืแต่ความสุขความเจริญ ความก้าวหน้ารุ่มเงีืองในทำยิ่งย่งขึ้นไปเธอสาธุกรขอลาคุณหมอไปเพลงแค่นี้แล้วถ้าไม่มีอะไรขัดข้องกคงจะได้พบกันใ็กในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกัรับขอบคุณคุณผา้จา์ครับโอเคขอจเจริญพร